อันนี้มันเป็นมันเป็นศาสตร์ที่เชื่อถือได้ก็เลยจะเรียนเรื่องก็เป็นศาสตร์ ท, ท, ที่เชื่อถือได้ครับประดิษฐ์คุณหลวงพ่อครับเ<ม><ม>พราะว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองพระองค์ก็ทรงเคยเรียนมาเขาเรียกว่าโหราศาสตร์พุทธเจ้านี่<ม>ท่านเรียนมาหลายศาสตร์มากศาสตร์มีเยอะแยะมากมายนะพุทธเจ้าพระองค์ทรงเรียนมาโดยเฉพาะเรื่องโหราศาสตร์นี่พระองค์ก็ทรงได้ร่ำเรียนมา แต่ว่าศาสตร์ในที่นี้คือศาสตร์ความรู้นะญาติโยมอย่าเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเสือที่เอาไว้ปูนั่งนะหัวเะอย่างกันแต่ที่ที่ทําไมในพุทธศาสนาท่านจึงไม่ค่อยสนับสนุนเรื่องเรื่องโหราศาสตร์ครับแต่ว่าก็มีพระทั่วไปก็เรียนโหราศาสตร์กันแต่พอมาในเรื่องของภาค ภาวินัยแล้วเนี่ยคนไหนไปทําตนเป็นหมอดูหรือไปดูหโหราศาสตร์ท่านก็เรียกว่าผีสีเนี่ยนะครับเป็นเพราะอะไรครับครั้ ง, งนี้ว่าเป็นศาสตร์ที่เชื่อถือได้แต่ว่าคนไหนไปทําเข้าพระท่านก็เป๋่าอาบาดเพราะอะไรครับก็เพราะว่าอาหโหราศาสตร์หรือว่าศาสตร์หมอดูนี้เรียกว่าเป็นอถ้าเป็นพระถ้าเป็นพระดูดวงหรือว่าดูหมอเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตาําหนินะทรงตําหนิ ตำหนิว่าเป็นเป็นอ่าการเลี้ยงชีพอ่าไม่ไม่ไม่ชอบไม่สุจริตก็หมายความว่าพูดง่ายก็คืออาชีพนี้ไม่เหมาะกับพระครับสุเดพวกคุณครับ ในกรณีนี่ดูแบบว่าไม่เป็นอาชีพดูแบบดูดวงบ้านดวงเมืองอะไรที่คู่กับเมืองไทยมาตลอดอนะถ้าที่เมืองไทยมาเป็นพุทธศาสนาแต่ว่าทําไมจึงทิ้งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ผมก็แปลกใจเหมือนกันยิงนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยบ้านเมืองจะได้ปฏิวัติจะสำเร็จไม่สําเร็จการปกครองก็ต้องไปหาหมอดูแทนที่จะไปห า, หาถามพระสงฆ์ผู้ทรงคุณธรรมแต่กลับไปหาหมอดูเนี่ยมันมันเป็นยังไงครับอ า, าจารย์ครับก็ต้องยอมรับว่าเมืองไทยเราหรือว่าคนไทยเหล่านั้น เรื่องหัวลาศาสตร์นี้มันมันแยกกันไม่ออกจริงๆครับมันเป็นของเรียกว่าเป็นของคู่บ้านคู่เมืองก็ว่าได้นะครับเพราะว่าคนในสมัยโบราณนี่เรียกว่ า, าหลายสิ่งหลายอย่างยังไม่เจริญด้วยแล้วก็หัวลาศาสตร์นี่ก็ถือว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวสําคัญอีกเรื่องหนึ่งแม้แต่ในยามายามสงครามหรือว่ายามมีการรบทับจับศึกเนี่ยยังต้องอาศัย หลักการทํหนายทายทักว่าเราจะได้ชัยชนะไหมเราจะแพ้ไหมหรือว่าเราจะชนะไหมถือได้ว่าโหราศาสตร์นี้เป็นเป็นของคู่บ้านคู่เมืองก็ว่าได้ครับประเดชพระคุณหลวงพอครับในกรณีที่พระท่านเอามาดูโดยที่ไม่ถือเป็นอาชีพหรือเรียกหาไรายได้ก็ถือว่าไม่ผิดใช่ไหมครับก็ถือว่าไม่ผิดครับอ๋อถือว่าเป็นการโหราศาสตร์นี้ถือว่าเป็นการ เป็นจิตวิทยายอย่างหนึ่งนะครับอเป็นการอ่าช่วยเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นยาแก้แก้คือบางทีญาติยมหลายคนหลายท่านมาวัดก็มีความไม่สบายอกไม่สบายใจพอพระท่านอดูดวงให้ทํานายทายทักให้ก็อย่างน้อยที่สุดก็เกิดความสบายใจอ่าเกิดความสบายใจแล้วก็เกิดความเรียกว่าหมดห่วงหมดใจก็ พระบางที่หรือว่าบางท่านท่านก็อาจจะแนะนำให้อาอบน้ำมนต์ทำบุญตักบาตรอุทิ่ส่วนกสศก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็น มันค่อนข้างจะสอดคล้องกันครับ<อ>กั บ, บ, บพระพุทธศาสนามี่เขาเรียกเป็นบุดิสซีคลโลจีนะครับป <laughs> ระเด็นวิทยของที่เขาพเอาละเรื่องอย่างนั้นผ่านไป ค, ครับที่หลังจากเกิดมาแล้วเนี่ยององคุลิมาองค์นี้นนแหละท่านแสดงบทบาทความเป็นโจทยตั้งแต่เล็กเลยหรือยังไงครับข อ, ขอสาวความเป็นมาต่อมานะครับอ่าครับก็องค์คุลิมานี้เมื่อตอนเกิดมาก็พอเกิดมาเป็นเด็ก พอโตมาได้หน่อยก็ก็เป็นเด็กทั่วๆไปเป็นเด็กปกติเด็กชาวบ้านเหมือนลูกลูกท่านหลานเธอนี่แหละก็เป็นเด็กทั่วๆไปก็ไม่มีพิษสงอะไรก็ไม่มีอทีท่าว่าจะเป็นโจร น, นะเป็นเด็กเรียบร้อยอเป็นเด็กองคุลีมานมงานีกคุลีมานนี่จรงิงๆแล้วเป็นชื่ อ, อตอนที่ท่านเป็นโจรตอนที่ท่านรับตําแหน่งเป็นโจร น, น ะ, อะตอนที่ท่านยังไม่ได้เป็นโจรเนี่ยท่านชื่ออหิงสกัดุลมาน คือหลังจากที่ท่านเกิดมาแล้วเนี่ยคนที่เป็นพ่อเนี่ยก็กลัวว่าลูกเนี่ยเกิดมาเนี่ยังไงก็ต้องเป็นโจรแน่นอนก็เลยแก้เคล็ดแก้เค็ดด้วยการตั้งชื่อลูกว่าอาหิงส ก, กะกุมารซึ่งก็แปลว่าเด็กกูมานผู้ไม่เบียดเบียนใครหรือว่าเป็นการแก้เคล็ดตั้งชื่อแก้ไว้ก่อนอ่าส่วน อาจะโตขึ้นมาแล้วจะเป็นโจรหรือไม่เป็นโจนั้นว่ากันอีกทีหนึ่งก็ถือได้ว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กอ่าน่ารั ก, รกเด็กเก่งมีสติปัญญาเฉลียวฉล า, าดครับเป็นเด็กพูดง่ายๆคือเป็นเด็กอเหมือนเด็กทั่วๆไปนะครับเหมือนเด็กทั่วๆไปอมีความฉลาดครับครับทีนี้หลังจากที่ได้ถึงเวลาแล้วพ่อเขาจัดการอย่างไรครับเมื่อเขาเติบโ ต, ตได้ เป็นวัยเด็กเข้าเรียนหนังสืออะไรหรือเปล่าครับก็หลังจากที่อ่ไอหิงสากากุมานี้โตจเจริญไวได้เต็มที่แล้วก็อ่คนที่เป็นพ่อกับคนที่เป็นแม่ก็หวังดีอ่ะธาตมาเชื่อนะเชื่ออย่างเหลือเกินว่าของของคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยอ่ย่อมที่จะหวังดีต่อลูกครับพระเดชประคุณหลวงพ่อครับคือให้การศึกษา อ่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็จัดการพาอาหิงสกากุมารไปอ่าไปโรงเรียนเรียกว่าไปโรงเรียนสมัยนั้นก็อโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็เป็นตากศิลา อ, อาจารย์ประจําสํานักก็คืออาจารย์ที่สาปามโมกอันนี้ก็อ่าถือว่าได้เป็นถือว่าเป็นสํานักที่ใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงมากพ่อแม่ก็นําอหิงสกา ก, กุมานนี่ไปศึกษาเล่าเรียน ศิลปะวิทยาความรู้ต่างๆอยู่ที่นั่นครบก็ไปเอาไปฝากแล้วก็เอาไปเลี้ยงเอาไปาศึกษาเล่าเรียนจนกระทั่งเติบใหญ่เป็นหนุ่มวัยอเป็นหนุ่มเจริญเติบโตครับประเด็นทุกคนครับได้ขาว่าด้วยการที่ท่านเรียนเก่งเนี่ยเป็นที่รักของครูบาอาจารย์มากใช่งไหมครับอ๋อครับเป็นที่รักของครูบาอาจารย์แล้วครบาอาจารย์ก็เรียกใช้ซอยใกล้ชิด ครับแล้วก็ให้เรียนวิชา <S <S ให้ศึกษ า, กษาเคล็ดลับอะไรเป็นพิเศษครับอ่ะอาหิงสกกะกุมาร น, นี่หลังจากได้เข้าไปเรียนแล้วก็ศึกษาในสํานักของอาจารย์ทิสาปามโมกที่ตกัสิลานี่นะอ่ะเด็กหนุมคนนี้เป็นเด็กที่ฉลาดมีปฏิภาณไหวพริบฉเฉลียวฉลาดน่ารักเอาเอกเอาใจครูบาอาจารย์พูดง่ายง่ก็คือว่าเป็นลูกศิษย์คนโปรดครับจนกระทั่งอ่ะ ลูกศิษย์ลูกหาคนอื่นๆเนี่ยเขาเรียกว่าลูกศิษย์ในสำนักเดียวกันเนี่ย mm. เกิดความอิจฉาริษย า, อ, าอ่านี้เกิดความอิจฉาริษยาขึ้นมาอ่าหลังจากนั้น mm. เพื่อนๆด้วยกันก็เขาเรียกว่าใช้แผนครับเขาเรียกว่าหาทางกำจัดหาทางกำจัดอหิงสกักดิ์มนันเออคนนี้มันเกินท้าเกินตานะเอาไว้ไม่ได้แล้วต้องจัดการละก็ ไปฟ้องอาจารย์ไปฟ้องอาจารย์ที่สาปาโมกขท่านอาจารย์อนี้ยอ้หิ้งสกะกรมาเนี่ยไปมีชู้นะไปมีอะไรกับกับเมียของท่านนะบางทีก็ไปฟ้องว่าอ้หิงสกักรมาเนี่ยคิดจะล้มล้างท่านนะคิดจะสังหารท่านเพื่อที่จะยึดสำนักนี้เป็นอาจารย์เสียเองไปครั้งแรกฟ้องครั้งแรก ท่านก็ไม่เชื่อไม่อยากเชื่อท่านก็จริงหรือเปล่าไม่จริงแล้วมั่งท่านก็คือพูดง่ายๆครับคนเราเนี่ยถ้ามีคนมาพูดครั้งแรกเราก็ไม่อยากจะเชื่อพอมีครั้งสองครั้งสามมาอีกชักชักจะไม่แน่ใจแล้วจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วคนนั้นก็มาพูดคนนี้ก็มาพูดเออพูดในลักษณะลักษณะเดียวกันหมดเลยเออเนี่ยอหิษกากุมารเนี่ยยังไงก็ต้อง เอาไว้ไม่ได้แล้วท่านอาจารย์อันตารายมากต้องหาทางกำจัดแล้วหลังจากนั้นท่านอาจารย์ที่สาปามโมกเนี่ยท่านก็เกิดความเขาเรียกว่ากังวลใจเขาเรียกว่าเ อ, อาไว้ไม่ได้แล้วเกิดความลาบากใจหนักใจก็เลยเรียกอหิงสกะกุมารมาว่าอาอหิงสกะกุมารอาจารย์เนี่ยรักเจ้ามากนะ อ่าแก้วตาดึงใจรักมากเป็นศิษย์กวนโปรดลูกศิษย์เป็นร้อยเป็นพันเนี่ยอาจารย์รักเจ้ามากที่สุดเลยอาจารย์จึงอยากจะมอบวิชาหนึ่งให้กับท่านเป็นเคล็ดลับสุดยอดวิชาของสำนักเราก็ว่าได้อ่าไม่มีลูกศิษย์คนไหนได้เรียนเลยครับหลังจากนั้นอ่าท่านอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์มีวิชาอ่าวิศนุมน์ วิชานี้เป็นวิชาที่อเรียกว่าเป็นวิชาที่ดีมากสามารถที่จะเอาชนะโลกทั้งสามโลกได้ไม่ว่าจะเป็นโลกมนุษย์โลกเทวดาโลกพรหมเรียกว่าไต่โลกเอาชนะได้หมดเรียกว่าขราวนี้ถ้าไม่ไม่ได้เป็นจกักรพรรดิข้าวนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้เป็นขราวไหนละก็ท่านก็เลยบอกว่าวิษณุมนีเป็นมนที่เราอยากจะให้ท่านเรียนแต่มีเงื่อนไขว่า ท่านต้องไปฆ่าคนนะไปสังหารโหดนะไปฆ่าคนให้ได้หนึ่งพันคนไปสังหารโหดไปฆ่ามาให้ได้หนึ่งพันคนแล้วเราจะสอนบนนี้ให้กับท่านแล้วเราจะสอนวิชานี้ให้กับท่านครับนี่ก็คือเป็นเป็นโครงการ <c oughs> ครับตรงนี้ก่อนที่จะผ่านตรงนี้ไปอาจารย์ผมตั้งข้อสังเกตว่าตามปกติเนี่ยเด็กเยาวชนโดยทั่วไปอยู่กับพ่อกับแม่นี่ก็เรียกว่า มันก็บริสุทธิ์เหมือนพระขาวนะที้พอออกไปสู่สํานักไปสู่สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างทุกวันเนี่ยเด็กของเราพอออกไปแล้วไปรับสิ่งแวดล้อมที่คือตอนแรกก็ดีอ่ะแต่พอเด็กคนนั้นเก่งเป็นที่ถูกอกถูกใจของอาจารย์คนก็เกิดความไม่พอใจเกิดความอิจฉาเนี่ยซึ่งปัจจุบันในลักษณะอย่างนี้มันก็มีอยู่ทั่วไปครับโดยเฉพาะทางเมืองไทยทางเอเชียของเราเนี้นะเด็กได้รับสิ่งแวดล้อมถูกปั่นทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยก็ทําให้เด็กนี่ค่อยเขว โดยเฉพาะ<ส>ในช่วงที่อยู่ปหนึ่งหรือปหกเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเด็กนะครับพอออกไปสู่ม ป, ปริญญาตมหรือไฮสคูลแล้วเด็กมักจะเสียคนคคเพราะฉะนั้นผมอยากจะทราบว่าไอ้สิ่งแวดล้อมของของเฉพาะเด็กเนี่ยมันมีอิทธิพลมากขนาดนั้นคือเการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไปคนละคนเล ย, เยอาจารย์เด็กติดยาดติดบุหรี่อะไรต่างๆเนี่ยเพราะสิ่งแวดล้อมเหลวนี้ตัวนี้มันไม่มีอะไรป้องกันได้เลยหรือถึงจะเป็นอย่า ง, างนั้นทุกคนไปได้ยังไงครับอาจารย์ครับ ก็ออันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องสําคัญนะเยาวชนบ้านเราเนี่ยปัจจุบันนี้น่าเป็นห่วงมากญาติโยมอหลายคนหลายท่านเนี่ยถ้าถ้าได้มีโอกาสกลับไปเมืองไทยนะ่าจะรู้ว่าบ้านเราเดี๋ยวนี้ประเทศชาติเราเยาวชนของเราลูกหลานเราน่าเป็นห่วงมากอาตมาอมีอยู่ครั้งหนึงอาตมาเดินอ่าเดินไป ท, ทําธุระแถวแถววัดนั่นแหละแถวแถวบริเวณวัดก็เดินไป ก็มีแ ม, ม่มีแม่กับลูกคู่หนึ่งเดินกันมานลูกลูกชี้ชี้มาที่พระแม่ตัวอะไรอะ่ะเจออะไรครับแม่เขาบอกไ ป, ไปลูกอย่าสนใจอย่าไปสนใจไปไปดึงแขนลูกลอาตมาก็ยืนงงอยู่สักพักใหญ่ๆนะยืนงงเอ๊ะ สังคมเรามันมันมันมันไปได้ขนาดนี้เลยเหรอแต่ไม่ใช่ครอบครัวอิสลามนะที่พูดอย่างนั้นน ะ, ะก็ผมก็ไม่แน่ใ จ, รใจนะครับไม่แน่ใจครับก็คือเยาวชนปัจจุบันนี้เรียกว่าคส่วนหนึ่งก็เรียกว่าห่างเหินธรรมะห่างเหินวัดว า, าอาลามห่างเหินพระเจ้าพระสงค์อันนี้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าห่วงนะเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากเพราะว่าเด็กเยาวชนนี่เป็นเด็กที่ใสสะอาด ครับเพลิดเพลินเป็นเด็กที่เรียกว่าเป็นผ้าขาวเราใส่อะไรเข้าไปก็เป็นอันนั้นใส่สีขาวเข้าไปเด็กก็เป็นสีขาวใส่สีแดงเข้าไปเด็กก็กลายเป็นสีแดงใส่อะไรที่มันดีๆเข้าไปเด็กก็กลายเป็นเด็กดีแต่ถ้าใส่อะไรที่มันไม่ดีเข้าไปเด็กคนนั้นก็จะกลายเป็นเป็นเด็กที่ไม่ดีเป็นอย่างที่เราใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นการอบรมลูกหลานเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากไม่ควรที่จะมองข้าม ทีนี้อหิงสกะกูมานเนี่ยเป็นเด็กดีขนาดนั้นแล้วก็อาศัยสิ่งแวดล้อมคือเพื่อนกิริยาณมิตไม่ดีนะฮะครับกิริยานิมิตไม่ดีก็ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงไปจากเด็กบริสุทธิ์ธรรมดาเนี่ยทีนี้ไอ้การที่ครูบาอาจารย์เป็นส่วนสาคัญนะครับครับครูบาอาจารย์ถ้าหากว่าไม่หนักแน่นก็สามารถที่จะถูกปั่นให้ให้เข้าใจ คือไม่คว้าหูเบาะนะครับไม่หูเบาสามารถที่ทำลายได้เป็นคนเพราะนั้นทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมมันเป็นพิษอาจารย์ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในไอเชียงโดดเป็นพิษตรงที่ว่ามันมีอย่างเด็กนักเรียนอะยกพวกตีกันใช่ไหมครับไม่กี่วันที่เราเห็นว่าเรียกว่าแม้แต่รถทั้งคันเนี่ยพังหมดเลยนะซึ่งลักษณะอย่างนี้ผมได้ถามไปเมื่อกี้ว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ ย, เ, เ, ยเราเลือกไม่ได้ ครับเราเลือกไม่ได้ทีนี้เราจะทําไงให้ลูกของเราเนี่ยไปพบมิตรพบเพื่อนที่ดีแต่ว่าในในสังคมมันมีทั้งมิตรดีที่ไม่ดีใช่ไหมครับเราจะทํางไงอบรมข้างให้ลูกของเราไปคบกับมิตรที่ดีได้ถ้าหากว่ามิตรที่ดีเนี่ยหมายความเราสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับลูกใช่ไหมครัครับแต่เรารจะมีวิธีการยังไงครับอาจารย์รรตรงเนี้อ่าตรงนี้ก็ก็คงต้องขึ้นอยู่ที่เรานะอาจารยโยมขึ้นอยู่ที่เราว่าอ่าเราสามารถอที่จะดูแลลูกของเราได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่า ปัจจุบันนี้ลูกหรือว่าเด็กเยาวาชนปัจจุบันนี้ถ้าถ้าไกล้หูไกล้าตาเกินไปก็ก็ไม่ดีต้องต้องพยายามให้อยู่อยู่ในสายตาตลอดอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากในกรณีที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านบอกว่าเด็กยกพวกตีกันนั้นก็ถือว่าเป็นปัญหาที่แก้กันไม่จบแต่บางบางทีบางท่านาก็บอกว่าไม่ใช่การยกพวกตีกันหรอกเป็นการซ้อมลบอ่าเป็นการซ้อมลบบ้านเมืองเราอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ใน สถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจมีโอกาสาที่จะเกิดสงครามได้ตลอดก็เร <g ul> ียกว่าเด็กย่อบุกตีกันนั่นคือเด็กซ้อมลบก็ <g ul> ว่ากันไปนะครับดังนั้นกระผมมีความคิดเห็นว่ า, าเด็กจะดีไม่ดีนี่อยู่ที่คนที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเอาใจใส่เป็นเป็นเป็ น, ปนอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องหลักถ้าเราปล่อยทิ้งปล่อยว้างเนี่ยไม่นาน เด็กเสียทีนี้พ่อแม่บางคนเขาบอกเขาไม่มีเวลาดูเด็กเพราะว่าการดำเนิหากินเยอะจัง น, นะครับบางทีเข้าบ้า น, น้ไม่เจอกันอ่ะเขาพ่อแม่อตื่นมาไปทํางานลูกยังไม่ตื่นครับอาทีนี้เด็กกลับมาจากที่เรียน เด็กนอนไปแล้วพ่อแม่ก็เพิ่งกลับมา บ, บางที ว, วันวันไม่เจอกันเลยครับครับอันนี้เราจะบอกว่าพ่อแม่ไม่อบรมสั่งสอนพ่อแม่ไม่มีเวลาครับไอ้เกี่ว่า ด, ด้านความเข้มงวดกวดขัดนางด้านสศรษฐกิจการเมืองสังค ม, มอะไรต่างๆสังคมมันพาเป็นไปครับแต่ว่าที่น่ากลัวยิ่งไปกว่านัยาย้นพระอาจารย์ ถ้าปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาไกลตัวอย่างว่าพักพวกเพื่อนฟุงยาเสพติดแล้วก็สิ่งที่จะนำไปทางไม่ดีเนี่ยก็ยังป้องกันได้ครับแต่ปรากฏ ว, ว่าที่ใกล้เข้าไปกว่านั้นคือเด็กติดเกมติดคอมพิวเตอร์ อ, อยู่ในบ้านนะครับวันๆไม่ทำอะไรหมกมุ่นอยู่แต่ตรงนั้นเมื่อ ว, วันมีมีครอบครัวผัวเมียคนจีนนะครับขับมาหาผมเมียเนี่ยพาแฟนมาเป็นคนจีนบอกบบว่า ตัวผู้โดยสารอังกฤษเก่อนกกดทนานอังกฤษเนีอน บ, บอกว่าพระอาจารย์จะทำไงสามีของฉันเนี่ยติด อ, อินเทอร์เน็ตเอวันวันๆไม่สนใจเมียเลยไปไปไปอยู่กับอินเทอร์เน็ตอยู่กับรายการทนะีวีหน้าคอมตลอดแล้วฉันจะทํายังไงครับตรงนี้อาจารย์มันเป็นปัญหาค่อนข้างละเอียดอ่อนมากเลยในนี้พระอาจารย์พอจะมีประสบการณ์ตรงนี้ไหมไทั้งแต่คุกคีกับเยาวชนมาครับอประสบการณ์คุกคีกับเยาวชนนี้เขาก็พอมีบ้างนะครับแต่ว่า ประสบการณ์อ่ะคลุกคีเป็นอ่าเาเรียกว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบคาราวานนี่อันนี้ไม่ไม่ไม่เคยครับครับก็คิดก็เรียกว่าเป็นเป็นประสบการณ์เฉพาะด้านนะครับเฉพาะด้านนะครับในกรณนี้ที่เด็กติดเกมก็ดีติดอินเทอร์เน็ตติดคอมพิวเตอร์ติดรายการอะไรจากคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจารย์ว่า ตรงนี้มันจะเป็นเป็นสาเหตุด้นหนึ่งมื่อที่จะหักเหความสนใจทําให้เยาวชนของเราเนี่ยหักเหไปในทางที่ไม่ดีครับมันเป็นไปได้ไหมครับครับ ก, ก็ก็ปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าโลกของเราเนี่ยมันไปไกลมากบางทอีอยู่กันคนละขั้วโลกแต่สามารถที่จะสื่อสารกันได้เป็นเรื่องที่อเราไม่คิดว่าในสมัยก่อนมันจะเป็นไปได้แต่ปัจจุบันนี้มันก็เป็นไปแล้วอเทคโนโลยีต่างๆเนี่ย อ่ามันมันเป็นเหมือนดาบสองคมถ้าใช้เป็นในทางที่เป็นประโยชน์เนี่ยมันก็เป็นประโยชน์แต่ถ้าใช้ในทางไม่ดีมันก็เกิดโทษเรียกว่าเป็นดาบสองคมอันนี้ต้องต้องรู้จักการบริโภครู้จักการการใช้การใช้ให้เกิดประโยชน์ต้องใช้สติปัญญาต้องใช้เขาเรียกว่าใช้สติ ในการที่จ ะ, ะทำํำสิ่งต่างๆครับเพราะว่าในโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตมันมีสารพัดอย่างอยู่ในน้ำมืออาจารย์มีสารพัดอย่างทั้งดีและไม่ดีครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรป้องกันเพราะว่าเขามีวิธีแก้บอกว่าเวลาลูกเข้าไปเล่นเน็ตเล่นมีอะไรต่างพ่อแม่ต้องอยู่ใกล้ๆหน้างน้องนี่นะเาจจะอยู่ใกล้ไงพ่อแม่ไปทํางานอะ่ะใช่ไม้มบางคนเด็กจบมาเนี่ยไปทํางานไม่ได้ครั บ, รบเพราะว่าอะไรภาวะ มันคู่ขี่กับคอมพิวเตอร์นานเกินไปปรากฏว่าเรียนจบไปทำงานไม่ได้เ พ, พราะภาวะจิตอ่อนครับรบสตริปัญญาอ่อนไปเลยครับซึ่งตรงนี้มันมีผลยังไงพ่อจาันการคู่ขี่กับคอมพิวเตอร์มากๆเนี่ยมันมันมีผลเสียผลเสียคือผลเสียเยอะมากอันนี้ผลเสียเยอะมากคื อ, อที่ที่เท่าที่ได้สัมผัสมาลูกศิษย์หรือว่า เด็กนักเรียน ท, ที่อยู่ในความดูแลขอ ง, ของกระผมนะครับบางทีก็ติดเรียนติดขอภายติดเกมเล่นเกมเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นอะไรต่างเนี่ยมันคือมันคล้ายๆกับว่าเด็กสมัยนี้มันคล้ายๆลกับว่าเขา <S <S <ๆ>เขา<ๆ>เขาไม่ไม่ค่อยจะยอมรับฟังเราเท่าไหร่คือเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยจะเชื่อฟังผู้ใหญ่ไม่ค่อยจะเชื่อฟังผู้ใหญ่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เรียกได้ว่า เป็นปัญหาที่แก้แก้ซ้ำซ้ำซักซาแก้ไม่หายแก้ยากมากหนทางในการแก้ไขก็คือพยายามควรพยายามที่จะดึงหรือว่า ให้เด็กนั้นออกมาจากตรงนั้นให้ได้อันนั้นคือคือเป็นประเด็นสำคัญนะครับ ค, ครับอเนี้ยก็ตรงนี้ผมแวะเข้ามาจุดหนึ่งที่หลังจากอ๋ออหิงสกะดกุ ม, มารถูกเร่น ง, งานแบบนี้นะฮะมาเพื่อนไปแย่อาจารย์ทุกวันรวนอาจารย์ก็เรียกว่าเป็นไม้หลั ก, กนะเนาะโยกระโยกมากมันกลน็ละครสันคอนวันหนึ่งทีนี้เมื่อ อาจารย์บอกว่าวิชานี้เป็นเป็นวิชาวิศนุมนถ้าหากว่าคุณต้องการสําเร็จวิชานี้ต้องเอาหัวไม่มือมนุษย์อะมนุษย์มาแรกถึงพันหัวไม่มือครับถึงจะได้วิชานี้ครับถ้าหากอาจารย์ได้รับการสอเสียดแล้วจะลงมือใชเองก็เลาเสียเหลี่ยบอาจารย์นะครับก็เลยวางแผนว่าเออเดี๋ยวมันไปฆ่าคนสักคนสักคนเดี๋ยวไอ้มันก็โดนเขาฆ่ามับ้างนะโดยที่ไม่ต้องลงมือเองก็ใช้วิธีว่าเอาหัวไม่มือพันหัวมาแรกเอาวิศนุ ม, มนเลยนะ ไอหิสกะกุมารต่ดสินใจยังไงครับก็อ้หิสกะกุมารนี่ท่านเกิดในชาติตระกูลของของคนคนดีคนมีความรู้นะจริงๆแล้วคนคนเราจะเกิดมาคนเราจะจะเป็นคนดีได้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องเกิดเป็นคนรวยเป็นคนมีฐานะที่ดีทางสังคมอ่าอันนั้นคือไม่จําเป็นไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องจําเป็นคนเราจะจะดีได้จะดีไม่ดีได้นี่อยู่ที่การกระทํา สูงต่ําอยู่ที่ทําตัวดีเชื่ออยู่ที่ตัวทําบางคนก็มองว่าคนรวยเนี่ยต้องเป็นคนดีนะคนจนนี่ต้องเป็นคนไม่ดีนะบางทีอ่าการมองเขาเรียกว่าลักษณะของการมองเขาเรียกว่ามองกันแบบผิดผิดมองกันอย่างไม่เข้าใจอหญิงสกัดกุมานี้เป็นเด็กที่เป็นเด็กดีเป็นเด็กอมีความรู้ความสามารถเป็นเด็กที่รู้ว่าอะไรผิดไม่ผิดเป็นเด็กที่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรแต่ ด้วยความที่อยากจะเรียนมนอเขาเรียกว่าวิษณุมนเนี่นะด้วยความที่อยากเรียนมากก็ขาดสติขาดสติอยากจะเรียนตอนนีอ้อาจารย์อยากจะให้ไปจะให้ไปฆ่าคนยังไงก็ต้องไปเพราะว่าอยากจะเรียนเขาเรียกว่าหน้ามืดหน้ามืดตามัวไม่รู้อะไรผิดอะไรถูกแล้วเขาเรียกว่าอยากอยากที่จะเรียนมาก จนสุดท้ายก็รับปากท่านอาจารย์ว่าตกลง อ, อย่างนั้นเดี๋ยวผมจะไปสังาหารโหดคนนะผมจะไปฆ่าคนไปสังาหารโหดให้ฆ่าคนให้ได้หนึ่งพันคนครับตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการใส่ ย, ยาของอาจารย์นะนะเขาเรียกใส่ ย, ยายาพิษเลยว่างั้นเถอครับซึ่งลูกศิษย์ที่ใจสตอ์บริสุทธิ์ต้องการวิชาครับซึ่งเขาไฝ่รู้ใฝเรียนมากนะครับ ซึ่งปัจจุบันนี้เขาบอกว่าเด็กบ้านเราก็มีเยอะเหมือนกันนะอยากจะเรียนรู้วิชาแต่ว่าไม่มีเงินครับครับก็ลงทุนไปขายยาบ้าบ้างโ อ, อ้ลงทุนขายตัวบ้างครับใช่ไหมฮะที่เราเห็นทุกวันนะสังคมมันเลยวุ่นวายไปหมดแต่ความจริงแล้วในสถานภาพสังคมไม่พร้อมแต่ความกระตือรือร้นอยากได้วิชาเพราะว่าวิชาเนี่ยถ้าไม่เกิดการแข่งขันว่า ในเมื่อไม่ไ ม, ม, ม, ม, ม, ม, มีวิชาแล้วเนี่ยจะต้องทุกอย่างลําบากซึ่งอันนี้เป็นเกี่ยวข้องระบบการศึกษาหรือเปล่าพ่อจันรครับถือว่าเป็ น, เ ป, นเป็นมีส่วนมากการศึกษาในในปัจจุบันของเราเนี่ยเราเน้นเราเน้นกันที่เด็กเด็กเก่งแต่ว่าเราไม่ได้ส่งเสริมเด็กดีอต่างกันนะยมอย่างกันยพ่อจารย์เด็กดีกับเด็กเก่งมันต่างกันยังครับเด็กดีนี่บางทีเขาอาจจะไม่เก่ง แล้วก็เด็กเก่งเนี่ยบางทีก็ไม่ใช่เป็นว่าจะต้องดีแต่สังคมของเราเนี่ยเลือกที่จะเขาเรียกว่าถ้าเลือกได้ก็ขอเลือกเด็กเก่งส่วนเด็กดีนี่เอาไว้ทีหลังจริงๆแล้วค่านิยมตรงนี้มันมันค่อนข้างที่จะอ่ามองกันแบบผิดผิดโยมสังเกตดูไหมถ้ามีเด็กสองคนเนี่ยเดินมาพร้อมกันระหว่างเด็กดีคนหนึ่งเป็นเด็กดี ต่ว่าเรียนไม่เก่งเด็กธรรมดาเด็กซื่อๆหน้าใสๆเหมือนอาตมาเนี่ยเดินมาเด็กเด็กเรียนได้เก่งแต่เป็นเด็กดีกับอีกเด็กคนหนึ่งเดินมาด้วยกันโู้เด็กคนนี้สอบชิงทุนได้อ้าไปเรียนต่อที่ดาวเสาอะไรอย่างเงี้ยอ่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่เขาเรียกว่าได้ท็อปได้ที่หนึ่งมาตลอดในห้องเป็นเด็กที่เขาเรียกว่าได้ที่หนึ่งมาตลอดเป็นเด็กเก่งเด็กเรียน ถามว่าโยมจะสนใจเด็กคนไหนมากกว่ากันอ่ามีมีคนสนใจเด็กดีนะอ่าก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะเอออ่าค่านิยมโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะมองว่าเด็กเก่งเนี่ยเราเราจะเลือกกันที่เด็กเก่งส่วนเด็กดีนี่เราไม่ค่อยสนับสนุนกันอ๋อครับเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมทั่วนี้นะครับครับเพราะว่าคนระหว่างทําตัวให้เก่งกับทําตัวให้ดีอันไหนยากอันไหนยยง่ายพ่อจานันอ๋ออันนี้ หลายคนหลายท่านคงมีคําตอบในใจนะเ อ, อ อ, อ, อ, อนะควาคิดนะครับอันนี้อันนี้สําคัญมากนะเด็กดีเนี่ยเขาเรียกว่าหายากหายากกว่าเด็กเก่งแต่ทําง่ายกว่าใช่ไหมจ๊ะแต่ทําง่ายกว่าทําง่ายแต่หายากทําง่ายแต่หายากแต่ว่าทางเด็กเก่งเนั่นทํายากแต่หาง่ายครับเออมันหมายความว่ายังไงพเจนก็เด็กเก่งนี้เ้าเรียกว่า อ่าเราสามารถที่จะฝึกกันได้ฝึกฝนกันได้ <S <S เด็กธรรมดาสามารถที่จะทําให้เป็นเด็กเก่งได้ <S <S แต่เด็กเก่งเนี่ยอ่าการที่จะฝึกเด็กสักคนให้เป็นเด็กดีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะ <S <S ออเอาอย่างง่ายๆเอาอย่าง <S <S ลูกเราอ่าลูกเราที่ที่อยู่ที่บ้านเราบางทีเถียงคําเไม่ขอใครเถียงคําไม่ตกฟากใช่ไหมอ่าเถียงคําไม่ตกฟากบางทีเขาม า, า่เราพูดไปแค่คืบ นนเด็กไปศอกแ ล, แล้วเราไปถึงศอกเด็กไปถึงวาแล้วบางทีเราพูดไปสองคำเด็กพูดมาสิบคาเราพูดไม่ทันเถียงไม่สู้ยอมแพ้ยกธงขาวอันนี้คืออันนี้คือเป็นปัญหาเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญครับปัจจุบันนี้ครูบาอาจารย์ใหญ่เขาเน้นให้เด็กเก่งนะครั บ, รบเรียนปกติยังไม่พอต้องไปเรียนพิเศษดีนะครับเพื่อใ ห, ให้เด็กเก่งแต่ปรากฏว่าเด็กเก่งทั้งหลายเนะี่ยมันขาด ขาดคุณธรรมขาดคุณธรรมเพราะคุณธรรมนี้ต้องการต้องฝึกฝนนะฮะมันไม่ได้จดจำนะเช่นว่าตื่นขึ้นมาตอนเช้ามาช่วยพ่อช่วยแม่ทํางานกินข้าวแล้วก็ล้างถ้วยล้างชามซักผ้าซักเสื้อตัวเองเดี๋ยวนี้ยากเลยเดี๋ยวนี้นะพ่อแม่จัดการให้หมดเป็นไปได้ไหมอาจารย์ว่าทุกวันเนี่ยคนมีลูกน้อยพ่อแม่เลยโอ๋ลูกคืออยากจะนําให้ลูกกัลักลูกว่านเถอะนมีลูกน้อยอยู่แล้วก็เลยทําให้เด็กนแยกอะไรไม่ออกครับ ว่าไหนพอดีแต่ยังพ่อแม่ไปเอาใจลูกเนี่ยถือว่าเป็นการทาร้ายลูกนะครับครับอาจารย์คิดหมก็เด็นคุณคนของพ่อเขาพูดถูกต้องครับเพราะว่ า, าบางทีการการที่เร า, อาโอบเด็กมากเกินไปหรือว่าการที่เรารักลูกมากเกินไปเนี่ยบางครั้งเราหวังดีกับเขามากเกินไปเขาเรียกว่ารักลูกไม่ถูกทางคาโบราณสมัยก่อนคนเท่าคนแก่คนโบราณเราก็บอกว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี ตอนอาตมาเป็นเด็กอาตมาไม่เข้าใจนะออรักเราแล้วทาไมต้องตีเราด้วยอ้าอาตมาก็สงสัยตอนเป็นเด็กรักวัวให้ผูกอันนี้พอจะเข้าใจแต่ก็ยังยังรู้สึกสงสัยว่าเออ่ถ้ารักวัวแล้วทําไมไม่ไปล่อยให้วัวไปกินหญ้าแต่ผูกไว้ทําไมเอารักลูกให้ตีแล้วแล้วไปตีลูกทําไมรักลูกแล้วไปตีลูกแล้วลูกก็เจ็บอ่าพอพอเราโตขึ้นมาหน่อยเราก็เข้าใจว่าอ๋อการที่พ่อแม่หวังดีกับลูกเนี่ย บางทีบางครั้งมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีและไอ้ที่ทำแบบพอดีพอดีมันก็ทำยากครับประเดี๋ยวคนของพ่อครับก็บปัจจุบันไม่คืออย่างนี้พ่อจันเอ่อบางทีเนี่ยพ่อแม่เนี่ยมีลูกคนเดียวนะครับก็ถ้าเขาก็รักทีนี้พ่อถ้า พ, พ่อแม่ต้องการที่จะสอนลูกก็ต้องใช้งานให้ทำงานใช่ไหมครับครับแต่พ่อลักลูกในทางที่ผิดอา้าไปใช้ลูกทางานได้ไง เขาไปไปโทษแม่ครับ <c oughs> ทีนี้พอเด็กคนนี้ก็เลยถ้าไปหาพอ่อพ่อไม่เอาใจก็ไปติดแม่ถ้าไม่เอาใจก็ติดแม่คุณไหนไม่เอาใจคือการที่ไม่เอาใจคือต้องการสั่งสอนครับ <c oughs> นะพอสั่งสอนแล้วมันไม่ชอบเด็กทุกวันนี่นะครับ <c oughs> แต่ไม่ชอบแต่ถ้าหากว่าไม่สั่งสอนไม่อบรมแล้ว ต, ตามใจทุกอย่าง <c oughs> เด็กก็เสียคนเพราะพ่อแม่เขาเรียกว่าภาษาเขาเรียกสปอยนะครับ <c oughs> ซึ่งในอเมริกานี่ปัญหาใหญ่ที่สุด พ่อแม่ทั้งคนไทยคุณลาวนี่ยอกหักอกพังเพราะลูกนะครับเพราะว่าเลี้ยงลูกไม่เป็นหรือเลี้ยงเป็นแต่ว่าสิ่งแวดล้อมมันไม่ช่วยครับตรงนี้ก็ปัญหานี้ไม่ใช่เกิดปัจจุบันแม้แต่สมัยองค์คุลิมานก็เกิดมาแล้วนะครับครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเมื่อองค์คุลิมานโดนอาจารย์เล่นงานเออไม่ใช่เล่นงานโดนอาจารย์ใส่ยาแบบนี้แล้วก็ออกปฏิโจรย์ได้ยังไงครับครับหลังจากนั้นก็ อ, องค์คุลิมานก็ตัดสินใจอ่ะเป็นไงเป็นกัน เอาครั้งหนึ่งในชีวิตได้เรียนมนสุดยอดของมนก็ถือว่าไม่เสียชาติเกินละตัดสินใจเป็นโจยลยออกไปครั้งแรกก็ไปเที่ยวเสา ะ, ะแสวงหาไล่ฆ่าคนทำร้ายเขาฆ่าเขาทำร้ายเขาประหันประหา ร, ร, หารชีวิตเขาบางทีคนเราเนี่ยเราลืมมองลืมมองตัวตัวตัวเราลืมมองคนอื่นด้วยบางที ท่านบอกว่าคนอื่นรักสุขเกลียดทุกข์เช่นไรเราก็รักสุขเกลียดทุกข์เช่นนั้น อ, อยังขนาดมดมากัดเราเบาๆเรายังเจ็บแล้วเขาเอามีดเอาเอาวุธเอาอะไรมาทิ่มมาแทงเรามันจะเจ็บขนาดไหนแต่อหิงสกากุมารตอนนั้นเรียกว่าหน้ามืดตามัวยังไงก็ต้องฆ่าคนให้ได้เพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการว่าแล้วก็คว้าอาวุธยุโทโธปรกรณ์อะไรต่างๆออกไปเลย ไปจัดการเที่ยวไล่สังหารคนใหม่ๆค่าคนครับ พ, รพี่เด็กคุณหลวงพ่อครับค่าแล้วก็นับไปค่าไปนับไปเอ๊ะมันบางทีก็จำจำหลงหลงลืมลืมมันถึงเท่าไหร่ละสิบคนยี่สิบคนร้อยคนจําไม่ได้เอ้าค่าใหม่ค่าใหม่ก็จําไม่ได้นับไม่นับแล้วก็นับแล้วแล้วก็ลืมแล้วอ่าอันนี้ความความจํามีปัญหาเสร็จเอาอย่างนี้ดีกว่าค่าแล้วมันลืมมันจําไม่ได้ ค่าแล้วตัดนิ้วจะได้นับไปในตัวด้วยค่าเสร็จปุ๊บอา่าตัดนิ้วเอาเอามาร้อยห้อยคอเอาหนึ่งแล้วได้แล้วนีเป็นเขาเรียกว่านับอา่าค่าไปห้าคนสิบคนก็ตัดคนละนิ้วคนละนิ้วคนละนิ้วสิบ ค, คนก็สิบนิ้วตอนแรกนี่เขาเรียกว่าค่าแบบสเปะสะปะค่าแบบไม่ได้ดูว่าเอ๊ะมันค่าแบบค่าไปนับไปได้กี่ศพแล้วกันเครับจําไม่ได้ตอนหลังมา ใช้แผนใหม่ฆ่าด้วยตัดนิ้วไปด้วยจะได้ไม่ลืมร้อยคอเป็นพวงมาลัยอือ้งนี้ชาวบ้านก็เดือดร้อนกันนี่ก็ก็เดือดร้อนครับก็จะใหม่ๆนี้องค์คุลิมานี่จะเลือกฆ่าแบบคนที่เดินทางเปลี่ยวๆไปไหนมาไหนคนเดียวอือองค์คุลิมานี่ถึงจะเป็นโจรแต่ก็รักตัวกลัวตายเหมือนกันนะโยมไม่ไม่ไม่บู๊แหลกนะ ไม่เหมือนในหนังจีนไม่เหมือนในหนังฝรั่งนะคนคนเดียวฆ่าคนได้เป็นร้อยนะแต่องค์คุรีมานี่ก็บางทีไปซุ่มอยู่ตามตามหลืบเขาบ้างซุ่มอยู่ตามพุ่มไม้บ้างคนเดินมาคนเดียวก็จาัด ก, การฆ่าสังาหารโหดเลยอันนี้ก็ถือว่าแต่เป็นเขาเรียกว่าตอนนั้นหน้ามือตาห ม, มูตอนนั้นไม่รู้อะไรผิดอะไรถูกแล้วจะฆ่าอย่างเดียวจนสุดท้ายฆ่าไปได้ประมาณสักเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคน คามจริงมันอาจจะเกินแล้วแหละแต่ว่าจําไม่ได้ก็ฆ่าแต่ได้เก้าแล้วเก้าสิบเก้าคนเหลืออีกคนหนึ่งพระเดชคุณหลวงพ่อครับโอครับกสําคัญมากสําคัญกับในในช่วงที่ไปเกะกะละ่ลาเน่ฆ่าคนหนึ่งนนไม่มีใครฤทธยิ่งมาต่อกรกับท่าน เ, เรือยัไงทำไมปล่อยให้ท่านองคุลีฆ่าเชสนุกมือไปเลยเพ่อะอะไรพเจนครับก็อ่าในตอนนั้นเนี่ยองค์คุลีมาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นโจรที่มีชื่อเสียงมากเป็นโจรดัง ถ้าเป็นสมัยบ้านเราสมัยก่อนก็เสือมเหศสวนเสือใบเสืออะไรต่างๆนะเ <c oughs> ขาเรียกว่าแค่คนได้ยินชื่อก็กลัวจนหัวหดแล้วนั่นแสดงว่าเป็นโจรมีปริญญา ครับพอได้เรียนชาตําำรับภาษาที่สาตอมุกนะฮะครัแต่โจนทั่วไปเนี่ยเขาไม่มีการวางแผนในอะไรรอบครอบนะครมันก็ถูกเขาตีกลับก็จอดแต่อันนี้ดีโจนมีปริญญาครับแต่สามารถได้ทําได้แยบยนต์ฆ่าคนโดยที่ไม่ผิดแล้วก็ฆ่าคนได้แนบเนียนจนเหยื่อไม่ทันระวังตัวงั้นแหะครับอันนี้มันก็เป็นอุทาหรณ์ว่าปัจจุบันเนี่ยคนที่ถ้าหากว่าเป็นคนเก่งมีระดับปริญญาแล้วถ้าหากว่าทําชั่วนันมันชั่วมากเลยใช่ไหมครับถ้าปัจจุบันเป็นอย่างนั้น ทั่วโลกที่เดือดร้อนที่บ้านเมืองที่มีปัญหากันนะพเพราะส่วนใหญ่พวกจบปริญญาใช่ไหมในสมัยนั้นคือโจนมีปริญญาสามารถฆ่าคนได้เป็นพันๆแต่ว่าใครจับไม่ได้ครับแต่เดี๋ยวนี้ปรากฏว่าเขาเรียนจบดรศาสตราจารย์เนี่ยโกงบ้านโกงเมืองกันหมดเป็นไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนล้านแต่ว่ายังไม่ผิดกฎหมายมันเป็นไปได้ไหมอาจารย์มันมันเป็นไปได้ครับยุคสมัยมันเปลี่ยนไปครับมันเปลี่ยนไปนะนั้นองค์คุริมันโจรในรูปแบบ โอปริมาณจรก็ยังอยู่ปัจจุบันแต่มันเปลี่ยนไปแล้วนะ่ยครับมันเปลี่ยนแต่อันนี้มันน่าเสียหายมากกว่าใช่ไหมอาจารย์ครับเพราะอะไรครับก็สมัยก่อนนี่ก็คืออย่างถ้าเป็นโจนก็อ่ามีหน้าที่แค่ปล้นมีหน้าที่แค่ฆ่ า, าปากเดียวท้องเดียวแต่ถ้ามีคุณธรรมหน่อยก็ต้นคนรวยช่วยคนจนอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีแต่ปัจจุบันนี้เขาเรียกว่ า, าในยุคปัจจุบันเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องที่น่าห่วงมากบ้านเราเมืองเรา ต้องยอมรับ ว, ว่าการคอร์รัปชันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอ่าแนบเนียนเขาเรียกว่ามีกลยุทธ์ในการคอร์รัปชันเขาเรียกว่ากินบ้านกินเมืองเป็นถ้าคนกินไม่เป็นก็ถูกฟ้องร้องติดคุกติดตารางไปจนจับได้แต่ยุคสมัยเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าโกงกินกันแบบโดยนโยบายเอานโยบายมาเข้าว่ากันว่าถ้าเราได้เป็นอ่าได้เป็นสสสวแล้วเดี๋ยวเราจะทําอย่างงู้นอย่างนี้ให้ อซึ่งเงินที่เอามาอ่าซึ่งเงินที่เอามาอ่าพัฒนาประเทศชาตินะก็ไม่ใช่เงินตัวเองเป็นเงินของของรัฐบาลเป็นเงินหลวงถามว่าแบบนี้ถือว่าเป็นการปล้นไหมหรือหลวงก็คือประชาชนอย่างเดยครับครับเป็นการปล้นเองแบบวิธีหนึ่งนะครับ <c oughs> แต่ว่าอ่าประชาชนเขาก็ได้ประโยชน์แต่ว่าคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือตัวของของอานักการเมืองอันจะได้มากกว่า เขาให้เรามาห้าเขาให้เรามาสิบแต่เขากินเราทีละร้อยสองนี่มันมีเหลืองมีแดงอาจารย์ไปแตะต้องเรือนี้มากไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันเข้าเนื้อถือเห็นครับอันนี้อันนี้สําคัญสําคัญทีเดียวครับครับเออเท่ปรากฏว่าขนาดข้าวคนได้เกือบร้อยบ้านเราเมื่อแล้วเนี่ยแต่จับขมือใครดมไม่ได้ใช่ไหมครับจับไม่ได้ครับเพราะอะไรครับอาจารย์บางทีก็จับมือได้แต่ไม่ให้ดม อ๋อไอ่ดูมีนักฆ่าแบบนักมีปริญญารับนักฆ่าผูกนิกไทว่างั้นเถอะนักฆ่าโอ้พระเทพพระคุณหลวงพ่ออ่ผมเคยได้ยินครับนักฆ่าผูกนิกไทยจริงว่าไม่ธรรมดาครับเพราะฉะนั้นผมว่านี่คือเมื่อก่อนเนี่ยท่านองคุลิมานฆ่าคนเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยประชาชนทั่วไปก็เดือดร้อนเฉพาะในวงจํากัดใช่ไหมครับครับแต่ถ้าหากว่าคนที่มีความรู้มีปริญญามาฆ่ามันทําให้บ้านเมืองล่ำรวย อย่างประเทศลาวไปไม่รอดก็เพราะนักข่าปริญญาครับข ม, มิเมื่อก่อนที่มันแตกกันเป็นสิ่งเสียงก็เพราะนักข่าวปริญญาเนี้ยประเทศไทยเดี๋ยวนี้กำลังจะเป็นใช่ไหมครับการที่น้ําท่วมในยานรู้ไหมว่าอันนี้ก็เป็นฝีมือของนักข่าปริญญาเหมือนกัน Oh. เพราะอะไรครั บ, รบเพราะรการทําลายธรรมชาติใช่ไหมครับการทําลายตัดไม้ทํำลายป่าอ่ามันมีเทคนิคการทําลายโดยที่ไม่ผิดกฎหมายครับเนี่ยลักษณะการฆ่าแบบนี้ผมว่ามันทําให้เดือดร้อนะระยะยาวครับแล้วก็เดือดร้อนไปทั่วโลกเลยครับซึ่งโอเคริมานที่ว่าฆ่าคนเป็นนับพันเนี่ยก็ถือว่าไม่เดือดร้อนแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนักการฆ่าปริยาวทําให้ทั้งโลกเดือดร้อนนะครั บ, รบเพราะนั้นการระบบการศึกษามันมันผิดพลาดเพราะว่าไปบูชาคนเก่งแต่ว่าไม่บูชาคนดีครับ แต่มาถึงณจุดปัจจุบันเนี่ยลักษณะการอันนี้ปัญหานี้จะแก้ได้ไหมอาจารย์หันหันคนมาทําความดีแล้วก็ลดระดับคนเก่งลงเนี่ยเป็นไปได้ไหมอาจารย์จะทําได้ไหมครับก็ถามว่าทําได้ไหมอันนี้อันนี้ทําได้แต่ว่ามันทํายากทากํายากมากไม่ใช่ยากธรรมด า, ายากมากอ่าคนดี <laughs> <laughs> อะไรหน้าอยู่เลย <laughs> คนดีคือดี๋างนี้ ค่าคนไม่ผิดและสมัยนี้เรารู้บางทีเรารู้นะว่าคนคนคนนี้ฆ่าแต่ถ้าเราเอาผิดเขาไม่ได้เราก็ทำอะไรเขาไม่ได้ทั้งที่รู้อยู่ว่าคนนี้ฆ่าคนทำร้ายคนอ่ากงชาติกินบ้านกินเมืองอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปแต่ว่าเราทำอะไรเขาไม่ได้เพราะเราไม่มีหลักฐานเราไม่สามารถที่จะทำอะไรเขาได้เลยเขาก็เดินลอยหน้าลอยตามีความสุขเพราะฉะนั้นอาตมาอมองว่า การส่งเสริมศีลธรรมการทําให้คนเข้าใจอ่าหลักธรรมหรือว่าเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่ที่ดีมากมันเป็นเรื่องที่เราไม่ควรจะมองข้ามอืปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่หันหลังให้วัดครับเปรีคุณหลวงพ่อครับอ๋ตอตัวนี้เราจะไปโทษอย่าไปชว่วยชาวบ้านหรือโทษพระดีพระอาจารย์คนหันหลังให้วัดนี่คุจะไปช่วยชาวบ้านไม่ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ด้วยไงครับก็มันก็ด้วยกันด้วยกันทัทั้ ง, ท, ง, ท, งทั้งหลายฝ่ายหลายฝ่ายบางทีพระเราอ่า ทำหน้าที่ไม่เต็มที่บางทีก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจญาติโยมเท่าไหร่ไม่ค่อยได้สนใจญาติโยมเท่าไหร่เขาเรียกว่ า, าพระเราไม่ทำหน้าที่พระ อบางทีโยมเองก็ไม่ได้ทําหน้าที่โยมบางทีก็เรื่องปากเรื่องท้องพูดถึงหน้าที่พระี่ผมสักสนใจแล้วพระมีหน้าที่อะไรครับอาจารย์โอพระนี่มีหน้าที่หน้าสนใจเรื่งนี้หลายอย่างนะครับหน้าที่ตรงตหน่อยครับเป็นยังไงบ้างครหน้าที่ของพระนี่ก็คืออสั่งสอนนะฮะเป็นผู้นําทางด้านจิตวิญญาณให้กับให้กับประชาชนอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากปัจจุบันพระเราเนี่ยอลืมหน้าที่ตัวเอง บางทีลืมตัวว่าตัวเองเป็นพระบางทีก็ทําเรื่องอะไรไม่เป็นเรื่องก็มีเยอะแยะมากมายให้เห็นบางทีตามหน้าหนังสือพิมพ์บ้างตามข่าวอะไรต่างๆบ้างอันนี้ก็ถือถือว่าเป็นเป็นเรียกว่เป็นประดิลลืมหน้าที่ตัวเองอืมพระก็ลืมหน้าที่พระโยมก็ลืมหน้าที่โยม ครับก็บบหน้าที่ที่พุทธเจ้าท่ามอบหมายให้กับพระเนี่ยพอจะนึกได้มันมีอะไรบ้างครับเป็นหน้าที่พระโดยตรงที่พุทธเจ้ามอบหมายไว้ให้ครับเป็นหน้าที่พระโดยตรงใช่ไหมครั บ, รบก็อันนี้ต้องขอ ถวายพระเดชพุทคุณหลวงพ่อนะครับหน้าที่ตรงนี้ในผู้ด้วศาสนาจะใช้คําว่าธุระนะฮะธุระในผู้ศาสนามีสองธุระใช่ไหมครับในเรื่องธุระกับหน้าที่อันเดียวกันครับอันเดียวกันนะครับครับนั้นเป็นยังไงครับธุระหน้าที่ที่ที่พุทธเจ้ามอบหมายนี่ครับครับก็หน้าที่ของพระนี่จริงๆแล้วแต่ถวายกันตามหลักก็มีอยู่สองอย่างใช่ไหมครับพระเดชพคุณหลวงพ่อครับครับก็มีคันธะรธุระคันธารุธธุระแล้วก็วิปัสนาธุระยองฟังและงง คันาธาทุระคืออะไรวิปัสนาทุระคืออะไรคันธะทุระก็คื อ, อเมื่อบวชมาแล้วก็ต้องทำหน้าที่ในการศึกษาเล่าเรียนในการที่จะสืบสารคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนธรรมะต่างๆ ปัจจุบันที่ที่เราจัดเรื่องการศึกษาพุทธศาสนาแบบคันธาทุรัเมืองไทยมันเป็นแบบไหนพ่ออาจารย์เขาจัดไว้แบบไหนปัจจุบันนี้ก็จะมีเป็นสองสองสามทางก็จะมีทั้งการศึกษาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมทั้งทางธรรมก็จะมีนักธรรมบาลีที่บ้านที่อเมริกานี่อาตมาไม่ทราบว่ามีศึกษาเล่าเรียนกันยังไงแต่ว่าที่บ้านเราก็จะมีทางนักธรรม นักธรรมตรีตัวเอกแล้วก็บาลีเรียนทำหนึ่งสองถึงเก้าส่วนทางโลกก็ก็เรียนเหมือนเด็กอเยาวชนคนทั่วๆไปก็เรียนกันอันนี้ก็ครับก็ถือว่<บ>าจะว่าปไปนี่พระเรียนกูเยอะกว่าโยมมากนักธรรมก็ต้องเรียนครับบาลีก็เรียนครับสามัญก็เรียนครับมหาวิทยาลัยก็เรียนนะครับอาจารย์จบมาบ้างหรือยังก็กับผมก็จบครับนักธรรมเอกจบแล้วนะครับ แล้วก็ประโยชน์ก้าจบแล้วอ๋อครับอันนี้คงจะเป็นข่าวลือหรือเปล่าครับพระเดชพุทหลวงพ่อครับ <laughs> <laughs> เลยแล้วก็มาหาจุฬาจบแล้วเนาะครับอ่าเห็นไห ม, มพระเราเรียนเยอะแต่ทีนี้คือทําหน้าที่เดียวพระเจ้าสั่งเอาไว้ว่าให้ทําคันถาธุรละอย่างเดียวคนที่ทําคันถาธุรละแล้วไม่ต้องวิปัสนาธุรละคนที่ทําวิปัสนาธุรละไม่ต้องทําคันธุรละอย่างนั้นหรือเปล่าท่านสั่งว่าอย่างนั้นไหครับ ครับจริงๆแล้วอ่าพระพระุทธองค์ท่านไม่ได้สั่งอย่างนั้นท่านท่านสั่งว่าอาเมื่อเมื่อเรียนแล้วก็ต้องปฏิบัติอันนี้สําคัญนะออตาตมาแอบชื่นชมอตาตมามองเข้ามาครั้งแรกมองอญาติโ ย, ยมวัดของเราที่นี่นะมองแล้วมีหลายคนหลายท่านที่อ่ามองปุ๊บเข้าใจปั๊บเลยว่าโยมที่นี่นอกจากจะเรียนรู้นอกจากจะได้ฟัง ธรรมะจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วยังได้นำไปปฏิบัติ ด, ด้วยเดินผ่านพระก้มนิดนึงอ่าแล้วก็สวัสดีเซฮัลโหลอ่ตาตมาชื่นใจอ่าถ้าเป็นที่บ้านเราเดี๋ยวนี้เดินบางทีเดินชนพระเดินเฉียดพระเดินเบียดพระเราไม่มีโอกาสได้เดินเบียดเขาแ ต, แต่เขาหยิบยี่นโอกาสมาเดินเบียดเราบางทีเดินเีบาทเนี่ยญาติโยม เมืองไทยเนี่ยพระหลบโยมนะอนตาตมาเดินมิถิบบาทที่ที่วังหลังตอนเช้านี่เดินไปโยมเดินตรงมาเลยไม่รู้จะรีบไปไหนเดินเรียกว่าย่างสามขุมมาเลยอต า, าตามาต้องเอียงตัวซ้ายทีขวาทีกลับถึงวัดเมื่อยปวดเอวต้องนวดกันนี่คือก็พระก็คือท่านก็คือทำอะไรไม่ได้ ยมอมไม่ได้เป็นไม่ได้ไหมพระอาจารย์ว่าเพราะพระเราไม่ได้ทําหน้าที่ตามพุระที่พุทธเจ้ามอบหมายถึงได้เป็นอย่างนั้นครับถูกต้องครับประเด็นพระคนหลวงพ่อใช่ไหมครั บ, รบเราคงจะไปโทษชาวบ้านไม่ได้เหมือนครับครับใช่ไหมก็เอาไฟออกมาจะเข้าเนื้อตัวเองแล้วเดินเนี่นครับก็อ่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพงษ์ทรงสอนว่านอกจากจะเรียนแล้วนอกจากจะศึกษาให้เข้าใจแล้วอ่าควรที่จะ อนําไปปฏิบัติ ด, ด้วย <Yeah. S 1> อาตมาต้องขออนุมโมทนาญาติโยมที่วัดแห่งนี้อหลายคนหลายท่านนอกจากจะศึกษาเล่าเรียนจากพระเดชพระคุณหลงพ่อแล้วยังนําไปประพฤติปฏิบัติ ด, ด้วยเป็นเรื่องที่น่าอนุมโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่งทุกคนทุกท่านอันนี้มีมีคือให้เห็นกันเป็นแบบแบบอย่างอันนี้หายากมากแล้วก็ใน ด้านวิปัสนาธุระนี่จํากัดเฉพาะคุณประเภทไหนพ่อจันหรือว่าเอาเฉพาะอีกพวกหนึ่งหรือว่าใครจะศึกษาก็ได้หน้าที่ที่สองเนี่ยคําหน้าที่ทําวิปัสนาเนี้ยเฉพาะพวกไหนครับก็นอกจากคันถาธุระแล้วก็จะเป็นวิปัสนาธุระวิปัสนาธุระก็คือการที่เรานําหลักธรรมคําสั่งสอนมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เห็นเป็นรูปป็นธรรมก็สําหรับในส่วนของวิปัสนาธุระนี้ อ่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่สามารถที่จะศึกษาได้ไม่ว่าจะเป็นคารวะญาติโยมหรือพระสงฆ์องค์สำเนีนก็สามารถที่จะศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติได้ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะไม่มีการแบ่งว่าคนขี้เลยห้ามปฏิบัติธรรมนะคนหน้าตาดีปฏิบัติธรรมได้คนขี้เลยห้ามเสร็จเลยอาตมาอดบวชเลย <c oughs> ขี้เลยมาแต่เกิดอ่าอันนี้ก็ถือว่าอ่า พุทศา ส, สนาของเรานี้ค่อนข้างที่จ ะ, ะเปิดกว้างแล้วก็เป็ น, เ, ปนเขาเรียกว่าเปิดกว้างในการที่จะยอมรับแล้วก็ให้คนมาประพฤติปฏิบัติไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะไม่มีการเลือกสีผิวไม่มีการเลือกอความรู้ใครเรียนจบอะไรมาก็สามารถที่จะมาประพฤติปฏิบัติทำกันได้ นั่นก็หมายความว่าการทําทุลักสองอย่างทําไปพร้อมๆกันได้ได้ครับขณะเรียนไปแล้วก็ทำวิปัสนาไปด้วยได้นะครั บ, รบแต่ตามที่พระคุณเจ้าเห็นเนี่ยส่วนใหญ่พระเนรเราเป็นอย่างนั้นไหมครับว่าเรียนไปด้วยปฏิบัติไปด้วยหรือว่าเรียนอย่างเดียวหรือด้วยอย่างไรตามที่ประสบการณ์ของพระคุณเจ้าที่เห็นมาครับก็ตามประสบการณ์ที่ได้ประสบพบเจอมานะครับพระเราเนี่ยก็เรียนซะส่วนใหญ่ปฏิบัติซะส่วนน้อยอ่า พระเราเนี่ยสามแสนกว่ารูปในเมืองไทยเนี่ยจะหาพระทีะ่ศึกษาเล่าเรียนเนี่ยหาง่ายมากแต่จะหาพระที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักของคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยหายากมากเรียกได้ว่าหายากหนึ่งในร้อยก็ว่าได้แม้แต่ในต่างแดนหรือประเทศสหรัฐอเมริกาที่นี่ หลายคนหลายท่านคงจะรู้คงจะเข้าใจกันวัดที่ทำหน้าที่ในการาส่งเสริมสั่งสอนอเป็นผู้นำในการที่จะนำพาญาติโยมในการประพฤติปฏิบัติอย่างแท้จริงเนี่ยมันมีไม่กี่วัดมันมันมันหายากมันหายากมากบริวัติของสมัสชาสงฆ์ไทยในอเมริกามีประมาณกี่วัดครับพเจนก็อันนี้ก็เยอะครับ เยอะนะทั้งธรรมยุทธ์มหาวิกายก็เข้าไปเกือบครับร้อยกว่าแล้วเนาะครับใช่เยอะมากแต่ว่าสำนักที่จะเป็นสำนักวิปัสสนานั้นมีไม่กี่แห่งใช่ไหมครับผมน้อยมากนั่นก็แสดงว่าพระเราก็ไปตามกระแสเหมือนกันครับคืออยากจะเป็นพระเก่งแต่ไม่อยากเป็นพระดีครับเพว่าอย่างนั้นครับเพราะว่าแนั้นครับเออแล้วก็เวลาเขาคัดเลือกนโยยงคัดเลือกพระธรรมทูตเนี่ยคนไหนจบปริญญาคนไหนจบคอมพิวเตอร์นะ คนไหนจบก่อสร้างเนี่ยเขาเรียกไว้ก่อนแต่ที่เป็นภาคกรรมฐ า, านมาสมัครเนี่ยไม่ค่อยมีนะอาจารย์ครับครับหายากหายากมากครับเพราะฉะนั้นจุด น, นี้ก็จึงอยากจ ะ, ะบอกว่าการที่อ ง, อ ง, องค์คุลิมานเนี่ยการเป็นโจลด้วยความจําเป็นเพราะในสมัยนั้นเขาแข่งขันกันในสํานักที่สามโม่ต่างคนต่างเก่งแต่ว่า องคุลิมานอหิงสกัตกุมารตอนนั้นเป็นทั้งเก่งและทั้งดีนะครับได้เป็นที่อิจฉาของของนักศึกษารุ่นเดียวกันเพราะนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นภาษาที่มุ่งที่จะเรียนวิชาให้เก่งนะครับแต่ว่าไม่ได้มุ่งไปพูดปฏิบัติให้ดีเท่าไหร่แต่บางเออนะคุณสมบัติทั้งสองย่างทั้งเก่งทั้งดีมาอยู่ในตัวของอหิงสกัตกุมารก็เลยถูกการแกล้งอย่างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเรียกว่าเป็นโจด้วยความจําเป็นใช่ไหมครับทีนี้พอมาถึงว่า อฆ่าคนได้ถึง9 9้าร้อยเก้าสิบเก้าแล้วเนี่ยคนชุดท้ายอีกหัวเดียวนะอีกคนเดียวที่จะครบได้วิชานี้นะมันเกิดอะไรขึ้นที่พระอาจารย์ที่ไม่สำเร็จก็จนในท้ายที่สุดเนี่ยหลังจากที่ท่านได้ฆ่าแล้วก็สังหารโหดคนมาเป็นจำนวนเก้าร้อย้าสิบเก้าคนแล้วเนี่ยก็ยังเหลืออีกคนหนึ่งในตอนนั้นข่าวของอไอกากุมานเนี่ย ข่าวของจนองคุลีมานเนี่ยได้แพร่สะพัดไปทั่วเลยเรียกว่าดังดังไดว่าดังจนฉุดไม่อยู่ดังเป็นผู้แตกเลยมไม่มีใครไม่รู้จักลูกเล็กเด็กแดงรู้จักทีนี้เมื่อข่าวออกมาแบบนี้พระเจ้าประเสิยธิที่โกศลซึ่งเป็นพระราชาปกครองคฤหนนั้นท่านก็ได้เขาเรียกว่ารับสั่งนานนี้จับตาย อ่าจับตายเสร็จก็ก็ได้สั่งให้ไพ่พลแล้วก็ทหารต่า ง, างๆเนี่ยออกติดตามคนเป็นแม่หัวอกคนเป็นแม่ญาติโยมเมื่อรู้ว่าลูกตัวเองเนี่ยอจะถูกเรียกว่าจะถู ก, ถกตามตามล่านะนี่ว่าจะถูกถูกตามฆ่าเรียกว่าทางการตอนนี้ทางการสั่งแล้ว จับตา อ, อย่างเดียวออกคนเป็นแม่ออกหมายจับแล้วว่า ง, งั้นเหรอออกหมายจับแล้วครับแต่ยังจับไม่ได้เอ้ยจับไม่ได้อครับเสร็จอ่าคนเป็นแม่พอรู้ข่าวว่าทางการเนี่ยออกหมายจับแล้วติดประกาศทั่วเลยเนื้อใต้ออกตกจับให้ได้เสร็จคนเป็นแม่เนี่ยโอ้โหคนเป็นแม่เนี่ยเขาเรียกว่ามันมันอ่ามีความเขาเรียกว่าผูกพันแล้วก็รักลูกรักมากก็เลยตัดสินใจ อ่าเพื่อที่จะเดินทางตัดสินใจเสร็จก็เดินทางออกไปปอกข่าวลูก ท, ทั้งทั้นที่รู้ว่าลูกเป็นโจร น, นะอ่ะทาทั้งท่าน ท, ที่รู้ว่าลูกเป็นโจนครคะัพระเดชพุกหลวงพ่ อ, อแต่ว่าไม่กลัวไม่ไม่ไม่กลัวว่าลูกจะฆ่าตัวเองแต่กลัวว่าอ่าคนอื่นจะมาฆ่าลูกเอออ่านี่เรียกว่าหัอกคนเป็นแม่นะะแล้วถ้าหากว่า อเหตุการณ์นี้ไปถึงที่สุดถ้าว่าแม่มาพบแล้วเนี่ยหมายความองคคุณแม่าโจรก็จะไม่มีโอกาสเป็นพระรหันต์เลยครับครับไอตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นว่าเหตุการณ์อะไรที่ทําให้สองแม่ลูกกันไม่มาเจอกันตอนที่จะฆ่ากันตรงเนี้ยครับมันเกิดอะไรขึ้นครับก็หลังจากที่แม่เนี่ยออกติดตามหาลูกนะเดินตามหาไม่รู้ว่าบางทีก็ไปถามคนโน้นถามคนนี้เห็นโจรไหม บอไม่เห็นไม่อยากเจอเสร็จก็เดินตามหาจนสุดท้ายก็ไปเจอไปเจอโจรโอคนเป็นแม่อัตมาอมีโอกาสกลับบ้านที่ต่างจังหวัดมีอยู่ครั้งหนึ่งฝนมันตกอุ้มซากอนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมันั่งฟังธรรมเลยไม่รู้จะทําอะไรไม่รู้จะทําอะไรเออฝนตกนั่งดูฝนสักพักหนึ่ง แม่ไก่ลูกไก่วิ่งกันมาโอวิ่งกันมาแบบชนิดว่ารีบหลบฝนโจมเชื่อไหมแม่แม่ไก่เนี่ยเอาเขาเรียกว่าเอาอะไรเอาปีกกลางแล้วก็คลุมลูกไว้ไม่ให้ไม่ให้ลูกเปียกฝนแต่ว่าตัวแม่เนี่ยเปียกฝน มนตมาดูครับถือว่าไก่มีคุณธรรมไหมครับก็ถือว่าอโดยสัญชาตญาณด้วยอ๋อครับว่าความรักมีสองแบบหนึ่งความรักโดยสัญชาตญาณสองความรักแบบวิปัสนาญาณครับแต่มนุษย์นี่ควรจะยกระดับความรักจากสัญชาตญาณขึ้นเป็นวิปัสนาใช่ไหมครับถูกต้องครับทีนี้เอเมื่อหัวแม่มือเป็นเป็นหัวที่หนึ่งพันเนี่ยเมื่อไปเจอกันแล้วทําไมองคุลิมานไม่ฆ่าไม่ให้ล่ะครับเจอปุ๊บตอนแรก เปลเหยื่อมาแล้วลายสุดท้ายตอนนั้นหน้ามืด ก, ก็คงคงจะรู้ว่าเป็นแม่นะแต่ว่าด้วยความที่ตัวเองเนี่ยจิตใจเนี่ยมันเขาเรียกว่าหหวเทียมอมหิทผิมนุษย์มนาเดียวว่าคราวนี้เจออะไรก็ขวางหน้าก็ฆ่าทั้งหมดไม่เ ล, เลือกว่าจะเป็นพระเป็นโยมเป็นเด็กคนพี่กงพี่การอะไรฆ่าให้หมดเจอหน้าปุ๊บเห็นแม่เห็นเด็กเห็นผู้หญิงปุ๊บอา้าว จากฆ่าจะลงมือในเช้าตรู่วันนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ส่งเขาเรียกว่าตรวจดูสัตว์โลกว่าอหน้าที่ของพระพุทธเจ้านี่เขาเรียกว่ า, ว า, าพุท ธ, ก, ธ, ธ, ก, ธกิจเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่ห้าอย่างครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพ<ร>วันวัหนึ่งหน้าที่ของท่านมีห้านะครับมีห<ค>้สำหรับสาวกของท่านมีแค่สองคือทําสมบัติกับทําไอ้คันธาทุร่ากับพี่ปเสนานี่เขาบองค์มีห้าครับมีอะไรบ้างครับก็อ่าอย่างที่หนึ่งเนี่ย ก็จะเรียกว่าตุปันเหปินตาปาตันจะเขาเรียกว่าตอนช้าบินน้ำบาทอันนี้เป็นหน้าที่ของพระเป็นหน้าที่ของของพระพุทธเจ้าสมณะตอนใช้สายหน่อยก็ต่อจากนั้นก็ข้อที่สองก็จะเป็นสายยันเหธรรมเทศนังเขาเรียกว่าก็เหมือนอย่างที่ พระเยบุคุณหลวงพ่อกับอาตมภาพเนี่ยทำหน้าทีเ่เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนนะเป็นตัวแทนขอ ง, ององค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้ า, าในการแสดงธรรมในการเขาเรียกว่าเอาธรรมะเอาสิ่งดีๆมาให้กับญาติโยมอันนี้ก็คือทําตามแบบอย่างของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าพระองค์ก็สาหัญเห่ธรรมเทศนังก็คือตอนเย็นก็เทศสานญาติโยมต่อจากนั้นก็เป็นข้อที่สาม ก็คือแก้ปัญหาเทวดาแก้ปัญหาเทวดาเพราะตามบุรเทวดาเนี่ยมีธุระเยอะรับมัวไปเก็บดาวเก็บดาวไม่เสร็จจริงทีหรือว่าจะมาพบสุธีดึกเขาบอกว่าทำไมเทวดามาพบพระพุทธเจ้าในตอนดึกดึกอาจย์ทำไมไอ้กัางวันแสกนี้ทำไมไม่มาครับเป็นเพราะอะไรพระเจย์ อันนี้ก็คือผมไม่เคยเป็นเทวดาครับแต่พี่คนหพ่อครับเขาบอกว่าเทวดาเนี่ยจะต้องห่างอยู่ห่างมนุษย์ถึงเท่าไหร่นะอ่อยี่ห้ากิโลยห้ายยีห้ายดยี่ห้ายดนะครับเพราะว่ามนุษย์นี่เรียกว่ามีกลิ่นเหม็น ไ, ไกลๆเพรางั้นนะเพราะเทวดานี่เป็นคนที่บริสุทธิ์เ่องั้นนะโอ้อยแคเทวดาก็แบ่งโซนชั้นเกินไปไหมอาจารย์ครับเทวดามีโซนชั้นเขาเรียกว่าถ้าเป็นบ้านเราเขาเรียกว่าสองมาตรฐานใช่ไหมครับสองมาตรฐานคือ <c oughs> <c oughs> อย่างนี้โยม คนที่เป็นเทวดาไม่ใช่ไปหอมาจากภาคฟ้านะครับว่าเทวดาในที่นี้หมายความว่าคนผู้ลากมากตีราชาการทั้งหลายเนี่ยงานเขาเยอะในตอนกลางวันเมื่อเลิกงานมาแล้วก็จะเลิกงานก็จะเสร็จงานเนี่ย<ม>ก็ดึกดื่นก็เลยไปเฝ้าผู้ทีเจ้าในตอนค่ ำ, ำ, ำดึกๆเพราะกลางวันทําราชาการดังนั้นคําว่าเทวดาคือคนชั้นสูงอเลยรับ คนชั้นแพทย์ชั้นพาม์ชั้นกษัตริย์พวกนี้นะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไม่มีเวลาต้องรับผิดชอบกิจการงานในเรื่องต่างแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาลังเกียรมนุษย์แต่ว่าเวลาเขาไม่มีทำหน้าที่บริหารกิจการบ้านเมืองเปิดทำหน้าที่พระอินทร์พระพรมนี่นะครับอันนี้คือตรงนี้คือแก้ปัญหาเทวดาครับทีนี้ดึกๆมาทําอะไรครับอาจารย์ดึกดึกมานี่ถ้าเป็นพระเราเนี่ยถ้าเป็นพระเรานี่สมัยปัจจุบันนะ อเขาจะไม่เหมือนพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนดึกๆเนี่ยเกาเรียกว่าอ่าปัจจุเสวสเตกาเล่พับพาพับเพวิโลกนังขอไปจําไม่ได้มือหม่ฮัตครับก็พอตานใกล้รุ่งเนี่ยพระองค์ก็จะทรงตรวจดูอุปนิสัยว่ามีใครที่พระองค์ทรงจะพอที่จะไปโปรดได้อันนี้เป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระเราเนี่ยอ่า เช้าเอนเพนนอนไอเขาตัวเองนะอย่าไปไกลขนาดนั้นนะ <c oughs> ดึกดึกพักผ่อนค่าค่ ำ, คำจำวัดดึกดึกซัดมาม่่า <c oughs> อ, อ, อันนั้นเป็นเขาเรียกว่าอาเป็นเป็นพระที่ท่านท่านอ่ไม่ได้เป็นไปตามคําสั่งสอนของพระทีเจ้าอืแต่ถ้าว่ากันโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพระเราก็คือก็ยังเป็นพระอยู่วัมือนอย่างค่ำยังรู้หน้าที่ว่าอะไร ดีอะไรไม่ดีอะไรถูกอะไรควรไม่ควรครับชัดแสดงว่าเพราะหน้าที่ของพุทธเจ้ามีห้าอย่างหนึ่งก็คือตื่นเช้ามาก็ไปวิณฑบาตครับต่อมาก็สายสายมาก็แสดงธรรมครับตอนที่ค่ำๆมาก็แก้อารมณ์ผ้ากรรมฐานครับตอนดึกๆมาก็แก้ปัญหาเทวดาครับตอนเช้าดูจริง ก, ก็คือการตรวจสอบดูสัมบัติครับในวันนั้นท่านตรวจสอบว่าไงครับในวันนั้นพระองค์ก็ส่งเขาเรียกว่า แผ่แผ่พระขายคือพยานก็พู ด, ดง่ายๆก็คือว่าทรงใช้อ่าความพิเศษของพระองค์เนี่ยเขาเรียกว่าอ่าตรวจ ด, ดูว่ามีใครพอที่พระองค์จะทรงไปโปรดได้บ้างก็ทรงเห็นอ่าพร ะ, อ, ะองค์คุรีมานเนี่ยเห็นองค์คุริมานเห็นจอมโจรองค์คุริมานเนี่ยกําลังโอ้วิ่งไล่คนเลยกําลังเที่ยวไล่ฆ่าคนนู้นคนนี้พพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงดูแล้วว่า อ๋อวันนี้เป็นคิวขององคุลีมานอ่าเหมือนกับวันนี้อาตมาภาพเป็นคิวของอาตมาภาพอ่าญาติโยมเชื่อไหมอาตมาภาพอพอรู้ข่าวว่าจะได้มาเทศที่วัดป่า ฉันไม่ได้หันไม่ได้นอนไม่ค่อยหลับรู้สึกกระสับกระส่ายตอนแรกเอาตามมาภาพตอนแรกอาตามมาภาพนี่ขนาดนอนไม่หลับนะฉันไม่ค่อยได้นะตอนแรกนอนไม่หลับอครับก็นอนนอนไม่ค่อยหลับครับว่ารู้สึกกังวลใจว่าอ่าที่วัดแห่งนี้เนี่ย อมีปกติมีเขาเรียกว่ามีกิจกรรมสําคัญมีการเทศมีการฟังธรรมมีการาส่งเสริมให้คนทําความดีอซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นกิจวัตรเป็นเป็นเรื่องที่ปล่อยอาตมาภาพก็อามาเขาเรียกว่ามาเขาเรียกว่า น้องใหม่ไฟแรงแสงทางโคง้งไม่รู้ว่ามันจะไปแหกโค้งตรงไหนตลอดระยะเวลาสองเดือนที่ทราบข่าวว่าจะได้มาเทศจะปฏิเสธก็ไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านมีความเมตตามากต่อต่ออตาตมาภาพอตาตมาภาพก็รับทราบรับรู้ถึงความเมตตาที่ท่านมีก็ก็ เ, เลยต้องรับ รับปากเทศต่อจากนั้นก็ทุกครั้งที่นอนเนี่ยอาตมาภาพก็จะไม่ลืมเอาแขนซ้ายแขนขวามากานา่นะพอานอนและยิ่งไปกว่านั้นเอ่อยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยก่อนหน้านี้อาตมาภาพทราบว่าจะได้เทศกับพระเพื่อนที่เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันคือท่านพระมหาภัยพระอาจารย์ก็อาตมาภาพก็รู้สึกโล่งโล่งนิดหนึ่งนะแล้วก็เมื่อสองวันล่าสุด เอ่อเอ็นยูฮอตไลน์นิวบอกข่าวไปว่าคาบข่าวไปนะบอกว่าอ่าท่านพทายจานผมมีเรื่องเสื่อไปท่านพทาจานนะมีมีบอกมีอะไรครับอ่ารู้สึกว่าคิวของท่านประมาภัยกับท่านคิวของท่านทาจานถาวรนี่จะต้องเปลี่ยนแล้วนะอะไม่ยกเลิกนะครับอ๋อไม่ยกเลิกครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นอะไรครับ เป็นเป็นอ่าเทศกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าวาดอาตมาภาพปกตินอนเอาแขนข้ขางเดียวทีนี้เอาสองข้างเลยกายนอนทีนี้ด้วยความที่เราอ่าเป็นเด็กแล้วก็ด้วยความที่ท่านนี่เป็นพระผู้ใหญ่ซึ่งอ่เรา เคยได้ยินได้ฟังกิตติสัพท์ชื่อเสียงของท่านมาเรารู้สึกว่าเคารพนับถือแล้วก็ซาตานในตัวท่านมากนี่เป็นครั้งแรกที่อาตมาภาพไปเจอหน้าหลวงพ่อนะไ ด, ได้เป็นครั้งแรกนะเสร็จก็พอรู้ข่าวว่าจะได้เทศกับพระเดชพุทธหลวงพ่อก็อาตมาภาพก็อ่าก็ดีใจอันนี้ก็คือความรู้สึกลึกๆอ่าโดยส่วนลึกโดยส่วนตัวก็ดีใจดีใจว่าถือว่าเป็นบุญของญาติโยมนะ แล้วก็เป็นพระตรมภาพขอโทษนะพรับผู้เจ้าที่ปรากฏในขายพยานเป็นยังไงครับไปสกาเลยก็ผมไม่มีเงินเจ็ดกินเท่ามนะก็หลังจากนั้นพระผู้ธิเจ้าเนี่ยพระองค์ก็ทรงเห็นองคุิีมานโจรท่านก็พระองค์ก็ทรงตัดสินพระทัยว่าเอาละวันนี้ตอนเช้าเนี่ยเราจะไป โ ป, ปรดไปโปรดอองค์คุริมานจนยังไงซะถ้าเราไม่ไปโปรดหรือว่าเราไม่ไปห้ามองค์คุลิมานเนี่ยถ้าเกิดองค์คุริมานเนี่ยฆ่าฆ่าแม่หรือว่าประหารแม่ฆ่าแม่เนี่ย อ, องค์คุริมานเนี่ยจะก็คงจะไม่ได้ตัดก็คงจะไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างแน่นอนก็เป็นครับอนันตริยกรรมเป็นอนันตริยกรรมห้าใช่ไหมครับพ ร, ร, ร, ระเดชพุทธคุณครับซึ่งก็มี เขาเรียกว่าเป็นกำนังเป็นกำนังห้าอย่างเป็นคลุกรรมเป็นกำนัง<ม>เป็นกำลังมมีอะไรบ้างกำนัง ก, ก็กำนัง ก, ก็หนึก็คืออาว่ากันตามไล่ไล่ไล่กันตามลำดับความหนักนะไปไปหาเบาอันที่หนึ่งก็คือสังฆเพศครับออสังฆเพศสังฆเพศนี่คืออะไรญา ต, รติโยมอ๋ออันนี้ญาติโยมวัดเรานี่อาตมายอมรับนะ เป็นเป็นเป็นอ่ารู้สึกว่ารู้สึกภูมิใจแทนแทนพระเดชคุณหลวงพ่อนะแต่ตอนนี้มันหมดกระป๋อแล้วนะครับยมปานน้อใจใหญ่แล้วก็ยมปานท้วงเลยนะก็ด้วยกันทั้งหมดแต่ว่าปกติเนี่ยอ่าพระเนี่ยเวลาถามธรรมโยมเนี่ยร้อยคนจะมีคนตอบได้สักคนสองคน ะจะตอบได้กันแบบพร้อมเพรียงแล้วก็เต็มปากเต็มคำแบบนี้นี่หายากมากเดี๋ยวผมถามเองเดทำไมถือว่าสังคเพศหนักกว่าทุกข้อพเจนถือว่าเป็นการทำลายให้พระสงฆ์แตกแยกกัน ครับพ่อพระสงฆ์แตกแยกชาวบ้านก็ต้องแตกแยกด้วยก็ต้องแต่แยกด้วยเพราะว่าที่เวกัสส่วนหนึ่งที่วัดมันเพิ่มขึ้นบพราะสังกัดเพศด้วยหรือเปล่าครับอันนี้อันนี้ก็ผมก็ไม่แน่ใจปัญหาอะไรยังเห็นปาไม่แน่ใจเห็นปัญหาเะยังอวานักอ่ะถือว่าเป็นคัอันนี้อันนี้ถือว่าพระเระภูดหลวงพ่อท่านพูดถูกนะโยมนะว่าพระเนี่ย เขาเรียกว่าโยมเนี่ยญาติโยมเนี่ยชาวบ้านเนี่ยจะอยู่กันไม่ได้ถ้าถ้าขาดพระบ้านเราเมืองเราเนี่ยเมืองไทยเราเนี่ยครับครับเ <c oughs> ขาเรียกว่าอาพระกับโยมในคู่กันมานานเ <c oughs> ้าแยกกันไม่ออกเขาเรียกว่าอาสิ่งต่างๆเป็นกิจวัตรอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าผูกพันกันมานานเขาเรียกว่าตั้งแต่เกิดจนตา ย, ายก็ถือว่าขาดพระไม่ได้คร <c oughs> ับครับแล้วก็ปัญหาที่เราเห็นทุกวันเนี่ยที่ว่า เหลืองกระแดงทะเลาะกันก็มาจากสังกัดเพศเนี่ก็มาจากมีส่วนนะครับอ่าครับมีส่วนโดยตรงเลยเลยพะย่ะนโดยตรงนะครับประเด็คุณครับตั้งแต่สมัยร้อยสแยกจากมหานิกายเป็นธรรมยุทธิ์เชเดียับสังกเพศเกิดขึ้นตอนนั้นก็ทะเลาะกันเลยมาระหว่างไพ่กับอมาตย์ทะเลาะกันมาเป็นสางเพศอทุกวันอันนี้คือยาวนานมากฮะสองสปีเรื่องสังกัดเพศไม่ใช่ธรรมดาเพราะมันหนักเพราะว่าถ้าเมื่อพระแตกกันแล้วยมก็ต้องแตกกันเป็นฝักบนฝ่ายเป็นเหลืองเป็นแดงเนี่ยคือคือทําไมว่าสังกเพศจึงเป็นเรื่องมีโทษหนักเพราะมันทําให้คนแตก เรียกว่าอยูยาวเดี๋ยวนี้ประกาศเรื่องความปองรองไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเปล่าปองรองสังกเพศนะนะว่าต้องจับพระสงค์มาปองรองกันก่อ น, นครับถ้บาพระสงค์ปองรองก็ไม่ได้แล้วญาติโยมอย่าไปหวังเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้สำับสนุนเหตุว่าทําไมสังกเพศจึงเป็นหนักเพราะมันเป็นเหตุความแตกแยกของชาวบ้านด้วยนะครั บ, รบข้อที่สองก็พระจันทร์ครับข้อที่2ก็คือโลหิตุประบาทโลหิตุประบาทหมายถึงอะไรครับโยมรู้ไหมคืออะไร เน่าาชื่นใจมากอืก็อันที่สองนี่ก็คือเขาเรียกว่าทําให้พระพุเจ้าในเลือดห่อหรือว่าเลือดตกเลือดตกยังออกอันนี้มีเคนมีคนเคยทํามาแล้วนะครับเพื่อพูดหลวงพ่อครับอ๋อ่ารู้สึกจะเป็นเทปัติวัาท่านจริงๆแนละ้วท่านไม่ได้หวังที่จะทําให้แค่ห่อเลือดนะคือจริงๆริงก็เอาให้ตายเลยแต่ว่าไม่ตาย<อ>ไม่ตายก็คืออ่าก็แค่โลหิตุปราบารครับ ก็ครับเอ๊ะเป็นถึงผู้ดีเจ้าก็โดนกลิ้งหินทับนี่ไหมก็เรียกว่าร้ายแรงมากนะครับสมัยนั้นแสดงว่าสมัยนั้นเหตุการณ์จะร้ายแรงกว่าดีมากใช่ไหมครับขณะเป็นผู้ดีเจ้าที่ว่าสูงสุดแล้วก็ยังถูกถึง8เหตุการณ์ด้วยกันนะเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยการนี้เป็นการองค์ุลิมานเราเทศในเรื่องคาถาประหุงอุปศัรคที่ทําให้ผู้ดีเจ้าประสบ8อย่างใช่ไหมครับอันนี้องคุลิมานคือว่าอันที่3ามอันที่4นี่นะครับ เพระฉะนั้นตรงนี้อันที่สองก็คือว่าทําให้พระทิเจ้าเลือดตกยางออกถือว่าเป็นกรรมหนักที่สุด ก, กรรมนี้ได้แก่พระเทวทัตใช่ไหมครั บ, รบเป็นคุณทํกาก็อนตอนนี้ก็ยังอยู่ในนรกอยู่เนะาะก็ถูกธรรมนิสุทธิ์ถูกธรรมนิสุทธิ์นะเพราะทําร้ายอนุสาวรีย์แห่งความดีของมนุษยชาติครับเพราะว่าทําให้อนุสาวรีย์อันนี้ต้องต้องได้รับความเจ็บปวดหลืเสียหายนะที่อันที่สามครับอันที่สามนี่อคือ ปิตุขาดใช่ไหมครับปิตุคาดปิตุคาดก็คือฆ้าพ่อฆ่าพ่อที่สี่ก็เป็นอันที่สี่ก็คือมาตุคาดมาตุคาดฆ่าแม่ฆ้าแม่ครครัอันที่ห้าอันที่ห้าก็คืออรหันต์ตาขดก็คือข่าพระรหันการฆ่าพระรหันนี่กรรมหนักห้อย่างห้อย่างถ้าหากว่าองค์ุลิมานเกิดไปทําให้แม่ตายในวันนั้นนะครับก็หมายความว่าปัจจนี้ท่านองคุลิมานก็ต้องเป็น ยู่ในนรกอยู่ว่างั้นเถอะพร้อมพร้อมกับเทวทัตแต่ว่าเซีเ่ยววินาทีตรงนั้นนะฮะพระพุทธเจ้าเกิดไปเห็นเข้าไปปรากฏในขายพยานพะองค์ก็รีบจะว่าวิ่งก็คงยังไม่หมอนเนาะไม่ใช่ว่าหอมมาเลยนะหอามาปรากฏระหว่างกลางเลยว่างั้นเถอะระหว่างแม่ลูกกลาลังจะฆ่ากันนั่นแหละกำลังกำลังจะฆ่ากันพ่อ ก, ก็ปรากฏขึ้นแล้วปรากฏขึ้นแล้วเป็นยังไงข้าพเจ้าเหตุการตรงนั้นก็หลังจากนั้นก็อ่างคุริมานเนี่ยก็ตอนแรกตั้งใจว่าจะฆ่า ผู้หญิงก็คือตั้งใจว่าจะฆ่าแม่แต่พอพ อ, อในขณะเดียวกันพระพุทธเจ้าก็ปรากฏขึ้น mm. เขาเรียกว่าปรากฏต่อหน้าเลย mm. เขาเรียกว่าอ่าปรากฏต่อหน้าแล้วก็เขาเรียกว่ามีตัวเลือกแล้วอ่าคราวนี้มีสองคนเลยเลือกฆ่าได้เลย่า mm. ในขณะเดียวกันเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์ก็อ่าทรงเขาเรียกว่าใช้ฤทธิ์ที่พระองค์ทรงมี พระองค์ทรงตำเนินเลยว่าเดินปกติเหมือนคนทั่วไปนี่แหละแต่ว่าด้วยลิทธานุภาพของพระองค์เนี่ยเขาเรียกว่าด้วยอิทธิฤทธิ์พูดง่ายๆองค์ุลีมาเนี่ยไม่สามารถจะวิ่งทันได้วิ่งเขาเรียกว่าวิ่งสุดชีวิตเลยก็ในใจก็คิดว่าช้างม้าอัวควายก็เคยวิ่งแข่งมาแล้วรถอะไรก็เคยวิ่งแข่งมาแล้วยังวิ่งทันวิ่งได้ แซงมาเผืออบางที่แซงโอ้โจนเก่งแต่พอมาถึงคิวของอคิวของพระพุทธเจ้าถึงตอนนี้วิ่งยังไงก็ไม่ทัน วิ่งยังไงก็ไม่ทันคราวนี้ว่าวิ่งไล่ตามกวดเลยวิ่งไม่ทันเอ้ยว่าจะเป็นฤทธิ์ปฏิหารเดือาจารย์คือความจริงนี่นะครับผมว่าองค์ุลิมานะไล่ฆ่าคนมานานเนี่ยท่านคงจะเหนื่อยอ่อนแย่นะนะเก็ดยังไม่ได้แต่พระนิจเจ้าท่านเป็นพระกรรมฐ า, านแข็งแรงมากนะ<อ>พระอาจารย์นนะครับนะพระกรรมฐ า, านนี่ไม่ใช่ธรรมดา น, นี่ไวมากเลยนะคระัดูผมเป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะครับครรากฏว่าองคุลีมานะท่านเหนื่อยท่านเพลียจากการไล่ฆ่าคนนะ่าเพราะฉะนั้นวิ่งแบบ ยังไงวิ่งแบบคนไม่มีแรงนะครับแต่พุทธิย่าท่านเดินธรรมดาก็ก็หนีได้นะแต่เสมือนว่าท่านมีฤทธิ์นะแต่อันนี้เราก็ต้องเชื่อชูศาสนาของเราใช่ไหมครับเพราะที่จะเห็นว่าเออเป็นลักษณะที่เด่นแต่ความจริงพูดถึงข้อเท็จจริงแล้วก็คือระหว่างโจรกับพระเนี่ยยังไงก็ตามก็ไม่ทันอยู่แล้วกับพระวัยฝาอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อพระองค์ปรากฏตรงนั้นโอคิมานโจรก็ตามแต่ทําไมว่าไม่คิดพระอาจารย์ว่ามีสองช้อยคือแม่กับพระ ครับแต่ทำไมมาเลือกตามพระไม่ไม่มเลือกตามแม่ก่อนอ่าดูน่าสนใจกว่าอันนี้ตามที่ได้ศึกษามานะอ่าแม่เนี่ยขอภัยแม่เนี่ยอ่าก็ดูแล้วไม่ค่อยน่าฆ่าเท่าไหร่รพอพอเจอพระเจ้าพระเจ้าปรากฏ ต, ต่อหน้าปุ๊บโอ้มีรัศมีพวยพุ่งผิวพันวรรณผ่องใสอผิวกายดูแล้ว ง่ายๆคือหน้าค่าว่ากันเถอะคงฟันแล้วก็คงจัดนะ ช, ชุบชับอ่าก็ตรงนั้นก็คือเกาเรียกว่าแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือว่าอ่าองค์คุรีมานเข้าใจว่าอ่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์จะเขาเรียกว่าเหมือนจะมาลองครับพปประเจ้าคุณหลวงพ่อครับมาทดลองว่าอโจนคนนี้ดีแค่ไหนเก่งแค่ไหน อ่าเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จมาประลองพูด ง, ง่ายๆมาประลองมาเรียกมามาลองฝีมือดูว่าเก่งแค่ไหนอ่าเรียกมาท้าทายมาท้าทายมามาประลองฝีมือพูด ง, ง่ายๆก็หลังจากนั้นก็วิ่งไล่ตามกระโจนกระโจนใส่พุทธเจ้าเลยเพางั้นเลยนะครับตามไปกระโดดไล่ตามตามยังไงก็ไม่ทันก็พระองค์ก็ส่งตาเนินไปตามปกติแต่แต่องค์คุริมาเนี่ยก็วิ่งกระหืดกระหอบ น้ำหูน้ำตาไหลน่าสงสารนะนหนึ่ ง, งภาพเสร็จก็วิ่งไล่วิ่งยังไงก็ไม่ทันเสร็จก็ตะโกนตะโกนอ่าลองลองเรียกพระพุทธเจ้าว่าสมณะพระองค์อกอครับหยุดก่อนหยุดเถอะพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ส่งหยุดครับส่งหยุดอตอนแรกยังไม่หยุดนะครับตอนแรกก็ยังไม่หยุดพระพุทธพระองค์พระองค์ก็ส่งตอบว่าเราหยุดแล้ว แต่ท่านยังไม่หยุดงานนี่หมายของพระพุทธเจ้าวิ่งไปแล้วก็เทศไปใช่ไหมครับครับวิ่งไปด้วยเทศไปด้วยนะครัเพราะฉะนั้นไม่ใช่ธรรมดาสมัยนั้นนะต้องวิ่งเทศกันนะเดี๋ยวว่าจะมานั่งฟังดันนิดครับครับพอเทศไปก็ได้ผลนกาเทศกันนั้นน่ะขนาดวิ่งเทศนะไปได้พระราหันองค์หนึ่งนะฮะครับถ้าได้มานั่งเทศฟังเทศแบบนี้จะขนาดไหนเหมือนกันครับ เออแล้วคําค <Where i S 2> like ําตรัสคือคําพูดของพระองค์ในกระทบองค์ุริมานยังไงครับก็หลังจากที่พระพุทธเจ้าพระองค์ส่งตัดไปว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดเท่านั้นยังไม่พอนะองค์ุริมานก็ถามไปว่าเอ้าท่านบอกว่าท่านหยุดแล้วแล้วทําไมเรายังตามท่านไม่ทันอ่ะบอกถ้าถ้าหยุดแล้วก็ต้องตามทันแต่นี่ยังไม่หยุดแสดงว่าแต่นี่ตามไม่ทันแสดงว่ายังไม่หยุดอ่าสมณะนี่ ท่านพูดโกหกนะว่าพระพุทธองค์อย่างนั้นท่านพูดโกหกนะท่านพูดจริงหรือเปล่าเป็นสมณะแล้วพูดโกหกได้เหรอ่อาว่าแต่ในลักษณะแบบนั้นครับพ ร, ระเคุณครับ <c oughs> หลังจากนั้นพระพุทธองค์พระพองค์ก็ทรงตัดว่าเราหยุดแล้วหมายความว่าเราหยุดทาความช่วยแล้วหยุดการเขียนฆ่าหยุดการประหารทหารคนแล้ว หยุดาการทําทให้ชีวิตคนหรือว่าชีวิตสัตว์เนี่ยตกล่วงไปเขาเรียกว่าเราหยุดฆ่าแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดยังไม่หยุดทําบาปทํากรรมเรียกยังไม่หยุดเข็นฆ่ายังไม่หยุดสร้างเวรสร้างกรรมเท่านั้นแหละเข่าอ่อนเลยเข่าอ่อนครับอ๋อแสดงว่าไปอคำตรัสของพระ อ, องค์ไปกระตุ้น สำนึกนะจิตสังข์ที่อยู่ลึกๆนะฮะมันแทบจะหายไม่หายแหล่นนะครับนี่คือความพิเศษของพระพุทธเจ้าครับนะว่าเราอยู่แล้วแต่ท่านยังไม่หยุดครับอ่เฮ้ท่านก็ได้คิดขึ้นมารตรงนี้ผมว่ามันเป็นการเรียกว่าองคุลิมานเนี่ยเขาบอกเขามีประวัติเขามีความเป็นมาก็จู่อยๆมาเป็นโจูดเลยยานเขามีอดีตชาติบ้างไหมไอไอองคุลิมานเนี่ยครับเขาเขามีไหม องคติมานี่มีมีอดีตชาติครับําเป็นยังไงพเจริญพี่น้องครัรมีระบบกรรมครับแต่ว่าอด้วยความที่ตื่นเต้นนะครับครรับหืงทรงจําก็สามารถที่จะจําได้ครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับหักเลี้ยวมืออกง่ายๆเดครับอันนี้เรียกว่าแซงโค้งแล้วแหกโค้งเลยนะครับอันนี้ขอถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับเออเลยครับเรียกว่าหักหลบนะเรียเรียกลูกนี้เลยหักหลบมีก็ชนนะโยม อั่นี้ดีเกิดจะไม่เลียวมีหลายมุกทีเดียวแล้วก็เรื่องนี้ถ้าหากว่าตามประวัติแล้วนี่เป็นมายาวมากอาจารย์ครับถ้าจะต่อยอีกสามชั่วโมงผมกลัวว่าพุทคุณเจ้าจะไม่ได้กลับวัดนะเพราะนั้น ต้องเาเป็นเที่ยวใหม่นะจ๊ะนะเที่ยวนี้ไม่ทันนะสามชั่วโมงนะโยมก็นั่งเหนื่อยแย่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเอาเอีกกัรหนึ่งก็แล้วกันนะเยอะๆนะครับช่วงไงท่านโยมต้องการเยอะๆอ่ะจะย่อไหวไหมก็ครับนี่ก็ถือว่าย่อสุดๆแล้วครับไปเลยทุกคลูกพ่อครับย่อสุดๆแล้วเนี่ยเพราะสมัยหนึ่งว่าพระเจ้าองคุลิมานเกิดเคยเป็นมหากษัตริย์ ที่ว่าพระเจ้าสุดแตสมใช่ไหมครับอ๋อครับใช่ไหเรื่องของพระเจ้าสุดแตสมนะครับครับพอจะนึกออกหรือยังคะครับเนี่ยประโยชน์้านี่ไม่พลาดเลยในเรื่องนี้นะประโยชน์เก้าเรียนนาหมดเลยคล่องมากเลยนะทั้งแป่ทั้งแต่งทั้งอะไรต่างๆเรื่องพระเจ้าสุดแต่สมเคยออกค่อสอบไหมครับเรื่องนี้ครับเคยออกหรือไม่พระอาจารย์จําได้บ้างแล้วใช่ไหมอ๋อก็นานมากแล้วครับอ๋อครับนานมากครับเพราะว่าองค์คริมานเนี่ยอดีตในชาติเป็นถึงพระมหากษัตริย์ แต่เนื่องจากว่าการที่เคยได้กินเนื้อคนนะนะก็ติดใจอ่าตรงเนี้เขาเขาบอกว่าเขาฆ่านักโทษทีนี้นักโทษมันฝ่ายไ อ, อ, อไม่ใช่ไอเพชฆาตกร น, นะไม่ใช่ อ, อะไรนะเพชฌฆาตเนาะเพชรฆาตก็แอบเอาเนื้อคนนักโทษที่ฆ่าเนี่ยมาปรุงเป็นอาหารทีนี้ในการกินกันชุมกันเนี่ยช่วงนั้นพระราชาเสด็จ ก็เลยผ่านไปถามว่ากําลังอร่อยไหมเออชิมดูได้เพราะพระยาข้าเราก็ชิมดูปรากฏว่าติดใจกินแค่นั้นซาบซาเดก็ไปก็เลยบอกว่าต่อไปถ้านักโทษตายไม่เท่าไปทิ้งนะมาเริ่มตั้งแต่นู่นเลยนะเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะรถแท้ๆนะครับติดในรถผ่อนติดในรถนะการติดในรถเพราะติดในรถปรากฏว่าต่อมาเมื่อมีการสั่งพานักโทษก็ทําถวายพระราชาจนกระทั่งนักโทษหมดคู่เคยจัอ นักโทษหมดคู่ก็ทำไงทีนี้ก็เอาคนนักโทษหนักหมดไปแต่ไปเอานักโทษกลางก็หมดนักโทษเบาก็หมดครับครับโอ้โหในที่สุดกินไปกินมาจะมาถึงลูกของตัวเองอ๋อครับนะในที่สุดแล้วปรากฏว่าก็มีปุโรหิตคนหนึ่งที่ว่ารู้จัก พระฤาษีเพราะราช ก, กุมารมีคนเป็นคนมีบุญเพราะรู้ว่าพระราชาทําท่าจะหาวิธีกินลูกของตัวเองเขาเขาเดือร้อนถึงพระฤาษีครับที่เป็นอาจารย์เก่าก็เลยมาโปรดก็มาโปรดวา่าการที่พระองค์ทําอย่างนี้ลองอพิจารณาดูให้ดีว่าอะไรเป็นสาเหตุที่พระองค์ได้ติดตรงตรงตร ง, ตรงนี้ครับก็บอกว่าถ้าท่านกินเนื้อบุตรก็เหมือนกินเนื้อตัวเอง ถ้ากินเนื้ตัวเองไม่กินเนื้อบุตรเพราะฉะั้นสิ่งที่พระองค์ทํามานั้นมันบาปมากแล้วเพราะฉะนั้นให้เลิกตรงนี้ในที่สุดก็พระเจ้าสุดิสงก็ฟังพระฤาษีพระฤาษีก็ช่วยพ้นจากตรงนั้นได้ท่งบอกว่ากลับจากนั้นองค์ุลีมาลพระเจ้าสุดสนะิสงเนี่ยมาเกิดเป็นองค์ุลีมาลพอหลังจากที่หยุดจากกินเนื้อ มนุษย์แล้วทนะ่านก็ออกบำเพ็ญปฏิบัติธรรมกับพระหุสงศรีครั บ, รบเป็นช่วงเวลาถึงสมัยนั้นพระวิปัสสีพุทธเจ้าเสวยเป็นพุทธเจ้าสมัยนั้นอายุถึง2องหมื่นปีท่านบําเพ็ญสมธรรมถึง2องหมื่นปีอย่างครับตรงนี้เองที่มาของอเครีมานถ้าหากว่าไม่เคยบําเพ็ญบา ร, รมีมาก่อนถึง2องหมื่นปีเนี่ย จะไม่ได้มาเป็นโอคุิมานวันนี้แต่ที่ท่านต้องกินเป็นโอคุิมานเพราะท่านเคยกินคนมนุษย์ม า, มากๆต้องมาเสวยบาปกรรมตรงนั้นก็เลยมาฆ่าคนอันนี้เดี ore, ๋ยวย่อก็พเจบพระพุทธเจ้าฤษี น, นั้นก็มากรสดือเป็นพระพุทธเจ้าโอคุลิมานที่ว่าเป็นมหากรรษตริย์ที่กินลูกของตัวเองก็มาเกิดเป็นอหิษฐานกุมารเดี de ๋ยวย่อพอไหวไนะพระอาจารย์ครับไปทนะีนี้พอเข้าใจนะทีนี้ผมอยากจะถามว่าที่ว่าท่าน เราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดลักษณะการหยุดข้างในเนี่ยจะมีวิธีหยุดยังไงหรือยันครับหยุดใจเนี่ยมันยากหรือมันง่ายครับก็โดยพื้นฐานของคนเราของมนุษย์แล้วเนี่ยเรียกว่าจิตใจนี้เขาเรียกว่ามีจิตเป็นประพัสดเรียกว่ามันใสสะอาดแลกเรื่อมเดิมทีนี่จิตใจของของคนเราเนี่ยมันจะสะอาดสะอา้าน คือพอตอนหลังๆมาเนี่ยพขาเรียกว่าพอเกิดหลายภพหลายชาติเข้าเนี่ยอกิเลสต่างๆเนี่ยมันก็เกาะกลุ่มจิตใจราคะโทสะโมหะเนี่ยมันก็เกาะกลุ่มจิตใจอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้ดีมาแต่เกิด <c oughs> หรือว่าไม่ได้เลวมาแต่เกิด เขาเรียกว่าเรียกว่ามีการสะสมมาเรื่อยเรื่อยเขาเรียกว่าเป็นภาษาพระเรียกว่าเป็นคันธะสันดานเป็นการสั่งสมมาเรื่อยเรื่อยทั้งเป็นกรรมเก่ากรรมใหม่เป็นอุปนิสัยของเก่าก็มีของใหม่ที่เกิดก็มี ครับปฏิบูหลวงพ่อครับอ๋อในการที่จะหยุดจิตหยุดใจได้เนี่ยเราต้องกลับมาหาจิตเดิมใช่ไหมครับเพราะจิตเดิมทุกคนเนี่ยไม่ได้ดีได้ชั่วมาก่อนครับแต่การที่เราย้อนมาหาจิตเดิมไม่ได้เนี่ยตรงนั้นเราหยุดอะไรไม่ได้เลยใช่หมครับครับมันจะแรงขับของความหลงความกดความหลงคอยคอยดันไปครับแต่วิปัสนาที่เราทําธุระวิปัสนาธุระนี่ก็เพื่อกลับมาสู่จิตเดิมครับที่พระองค์ตรัสว่าไงนะอะไรประพัดอะไรนะ เป็นปะพศนครับปะพศนะปะพศระมิทางจิตตังอาคันตุเกเสหิอุปกีถนะังเนาะโดยจิตของทุกคนเดิมแท้แล้วสะอาดท่องใสใช่ไหมครั บ, รบแต่เมื่อมีอาคันตุกะกิเลสผ่านจรเข้ามาด้วยดิขาสติปัญญาก็เลยไปนำให้ไปรับเอาคันคตุกเกสแบบเกล็ดนั่นมาเป็นความคิดคใช่ไหมครับทีนี้เราจะทำยังไงถึงจะอาคันตุกะกิเลสคือรูปเสียงจิตวิถผ่านเข้ามาแล้วมันไม่ไปยึดที่จิตก็ต้อง มาฝึกปัญญาครับตัวนี้เองเรียกว่าเป็นหน้าที่ของพระอีกอันหนึ่งใช่ไหมครับคือหน้าที่ของวิปัสนาธุระ ก็คือการมาทําให้จิตมันสะอาดผ่องใสเหมือนเดิมซึ่งจิตนี้ไม่ได้ไม่ได้สกรปรกมาก่อนนะฮะแต่ที่มันสกรปรกเพิ่งมันเป็นตอนที่กระทบแล้วเราลืมลืมตัวเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเรามีสติไม่ลืมตัวนี้จิตของเราจะสะอาดอยู่เสมอครับตามหลักนะฮะอันนี้คือหน้าที่สองอย่างคือหน้าที่ของขันธทุลาคือเรียนถ้าเรียนแล้วไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการเรียนนั้นก็จะเป็นพิษเป็นภยัยครับเหมือนกับ อ่ะอหิงสะกุลคุมานาตั้งใจเรียนแต่ว่าไม่ได้ทําวิปัสสนานะครับแต่หลังจากที่มาพบพระพุทธเจ้าปั๊บพระพุทธเจ้ากระตุ้นเกิดให้เกิดสํานึกถึงต่อมวิปัสสนาถ้าจะว่าอย่างนั้นนะก็คือได้สํานึกขึ้นมาคือหยุดหยุดใจของตัวเองสิแล้วมันจะหยุดฆ่าได้มันจะหยุด<ม>เบียดเบียนได้เพราะหยุดคิดนั่นเองนะชุกคิดนิดหนึ่งชุกคิดนิดหนึ่งภาษาเราเรียกวชุกคิดนะเพรพอได้ชุกคิดก็คือให้ได้สติขึ้นมา ปรากฏว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าท่านาทำให้องคุริมาณโจนวางดาบลงได้ท่านก็เลยแสดงธรรมใช่ครับครับแสดงธรรมในการเบียดเบียนการฆ่าแก่งเลยแล้วก็ยกอดีตเรื่องพระเจ้าสิจิสมมาเล่าให้ฟังว่าเธอวันนี้ก็คือเธอครั้งหนึ่งเธอเคย กิงคนมาก่อนครับเหมือนกระเฮอฆ่าคนสมัยนี้ครับเพราะฉะนั้นเองด้วยวิบากกรรม น, นั้นทําให้เธอต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเธอจึงหยุดถ้าเธอไม่อพบเราตะถาคตนั้นเธอก็จะต้องไปตกอยู่ในอเวที G, ไม่มีเวลาได้ผุดได้เกิดครับหลังจากนั้น องคุลิมานก็เลยเป็นไงขอบวชใช่ไหมครับก็คือได้สติได้สตินะได้สติแล้วขอบวชเลยขอบวชโอ้โก็กลัวยุ่ไมได้สติเหมือนกันนั่น <c oughs> ได้สติขอบวชที่วัดมันมีข้าเลี้ยงนวัดเดือดร้อนนะครับทีนี้หลังจากท่านได้สติขอบวชแล้วตรงนี้เหตุการณ์ต่อไปเป็นไงครับก็หลังจากนั้นก็อ่าเป็นเรื่อง เข <c oughs> เป็นเรื่องของวิบากกรรมของได้ได้ข่าวว่าพระเจ้าประสิทธิ์กุศลปีทาทัพมาใช่ไหมครับครับเป็นยังไงครก็หลังจากที่ทราบข่าวอพระเจ้าประสิทธิ์กุศลเนี่ยพงก็กีทาทับมาก็คือยกกําลังพลมางานนี้ก็คือจะจับให้ได้ <c oughs> พอมาถึงครับก็มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าครับว่าพอาพระองค์พระองค์ก็ทรงถามว่าจะไปที่ไหน จะไปทาอะไรกันที่ไหนมากันเยอะแยะเลยอทีนี้พระราชาพระองค์ก็บอกว่าจะมาจับโจรองค์คุลีมานจับโจรองค์คุลิมานดังนั้นก็มากันเยอะเพราะพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกว่ า, าโจรองค์คุลีมานเนี่ยเป็นยังไงพระราชาก็บอกว่าเป็นโจรดุร้ายโ ห, หดเหี้ยมเที่ยวฆ่าเชีนฆ่าประชาชนอะไรต่างๆนานาพระพุทธองค์ก็ทรง ถามอ่าทรงถามกลับไปว่าแล้วถ้าเกิดว่าจนองค์คุลีมานเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าตองผมปงหนวดนุ่งสบงทรงจีวรแล้วเนี่ยเป็นพระภิกษุเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านจะทำยังไงอ่าพระราชาก็บอกก็ดีสิแล้วว่าใครจะทําอย่างนั้นได้จะมีใครทําได้มีไหมพระ พ, พุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงชี้มือไป ว่าตรงนั้นไงตรงขุลีมานนั่งอยู่ตรงนั้นเป็นพระภิกษุบวชเป็นพระภิกษุแล้วพระราชาตกใจครับทุกคนครับ <c oughs> เป็นยงเลย <c oughs> ใครบ้างไม่กลัว <c oughs> <c oughs> ครับก็เรียกว่าตกใจ <c oughs> ครับโอก็ตกนลงว่ า, าพระราชานี i ก็เลยไปพบอุลิมานแล้วไม่ได้ฆ่าครับ <c oughs> นะแล้วก็พระมารดาก็เข้าไปฝังธรรมคือนัางมันตานีนะครับก็ไปฝังธรรมตัวนั้นด้วยครับ ก็เป็นอันว่าเรื่องขององคุริมาเราจะเห็นว่าไม่ใช่ธรรมดาแต่ที่นี้ผมอยากแจ้งจา์สรุปตรงนี้ก่อนว่าการที่ ผู้ประวัติได้จารึกเรื่องนี้เอาไว้เอาคงองค์คุลิมานมาเป็นแบบอย่างเนี่ยท่านต้องการสอนอะไรบางอย่างกับเราหรือเปล่ลาครับหรือว่าเป็นเรื่องอุบิเหตุเกิดขึ้นโดยประวัติศาสตร์หรือว่าเป็นเรื่องที่ต้องการที่จะชูประเด็นอะไรสักอย่างนึงสำหรับชาวพุทธบริษัทของเร า, า, ราครับอาจารย์อาจารย์พอจะคอมเมนต์ตรงนี้ได้ไหมครับก็ในตรงตรงส่วนนี้ก็มอ ง, งว่าเป็นเรื่องของอย่างแรกก็เลยก็คือมองว่าเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าเบียดเบียน เรียกว่าการเบียดเบียนกันสัรวสัตว์ในโลกนี้อย่างที่อาตมาได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าอาเรารักสุกเกียรติทุกเช่นใดคนอื่นก็ลักสุกเกียรติทุกเช่นนั้นเหมือนกันประการที่สองก็คืออให้มองเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมเป็นกรรมเป็นกฎเป็นกฎแห่งกรรมที่เราท่านทั้งหลายนี่ไม่สามารถที่จะหลีกพ้นได้ไม่ว่าจะเป็นพระราชาเจ้าฟ้ามาหากษัตริย์คน คนยากคนจนคนอ่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรียกว่าต้องอยู่ในกฎแห่งกรรมไม่มีใครล่วงพ้นกรรมไปได้อันนี้ก็ผมมองว่าเป็นเรื่องของอ่าเรื่องของกฎแห่งกรรมครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับถืบงกรรมนะแล้วก็ทิ้งที่พ่วงแถมมาหลายๆด้านก็คือว่าหนึ่งเราได้เรื่องของว่า ใอเมื่อเด็กเยาวชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีนะฮะไม่มีกระดาัอนาะมัเป็นอันตรายครับหาเป็นอันตรายทำให้ลูกเร า, าเรียกว่าเสียหายไปเพราะรสิ่งแวดล้อมไม่ดีประการต่อมาก็คือ การที่พุทธองค์ได้เกิดมาในโลกนี้มันทำให้เกิดแสงสว่างาแก่คนที่มีดวงตาที่จะเห็นธรรมของท่านครับถ้าหากว่าองคุริมานนีถ้าไม่เจอพุทธาิาันหมายความว่าตัวนี้ก็หมกมาอยู่ในอเวจีนารกนะครับถูกต้อ ง, องครับแต่ทีนี้มาขวดว่ า, วาดับประเด็นที่3ผมอยากตั้งข้อสังเกตก็คือว่าเป็นการให้กำลังใจแก่ชาวพุทธ ว่าดูสิว่านี่ขนาดองคุลีมานฆ่าคนเป็นเกือบพันนะเขายังได้บรรลุธรรมเป็นพระหันเลย ค, คุณสร้างไม่ได้ฆ่าคนมาสักกี่คนนะหรืออาจจะไม่ได้ฆ่าเลยครับุณต้องมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงธรรมตัวนี้ได้โดยไม่ยาก ครับอันนี้เป็นการให้กำลังใจนะครั บ, รบแต่หารู้ไม่ว่าองค์ุลิมานเคยบําเพ็ญสมณะมาทั้งสองหมืนปีครับถูกต้องครับอันนั้นคือแบกกลาวนะฮะครับแต่เราไม่ได้ฆ่าคนมาก็จริงแต่บรรลุทําได้ยากเราอาจจะไม่มีเวลาที่จะบําเพ็ญธรรมตรงนั้นนะฮะตรงนี้มันก็คือนั่นการสั่งสมคุณงามความดีทีนิด ๆ, นดๆนดเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ประมาทไม่ได้นะครับครับชาวพุทธของเราก็เลยได้มีโอกาสได้สั่งสมการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาแต่ผมก็ มีข้อสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าชาวพุทธของเรารู้ทั้งรู้ว่าการสั่งสมบุรรมีบุญบารมีเป็นของดีนะครั บ, รบแต่การสั่งสมในสิ่งที่ไม่ดีเนะี่ยเป็นของไม่ดีเป็นของเดือดร้อนแต่ทํำไมคนส่วนใหญ่กลับว่าไปสั่งสมในสิ่งที่ไม่ดีครับพระอาจารย์ครับอันนี้ก็เป็นมองว่าเป็นเรื่องของกิเลสครับพระเดชพลหลวงพ่อครั บ, รบสิ่งต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรา เป็นสภาพแวดล้อมบ้างอะไรต่างๆบ้างกิเลสปัจจุบันมันเยอะอ่ามันเยอะมากก็ไม่เฉพาะปัจจุบันในสมัยก่อนก็มีเยอะแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันมีเยอะกว่าสมัยก่อนสิ่งล่อตาล่อใจสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าอ่าแม้แต่สิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยมันก็มองจะมองว่าเป็นเรื่องของของกิเลสก็ก็ก็ถือว่าไม่ผิดเพราะว่าบางทีบางคนเนี่ยบางทีติดสบาย พออย่างเคยนั่งแอร์เย็นๆไปเจอวัดไปเจอที่มันร้อนๆก็ไม่ไหวครับเ้าเรียกว่ามันไม่ไหวบางทีเราเคยสุขเคยสบายแล้วพอไปวันหนึ่งเราลำบากเราก็รู้สึกว่าเรารับไม่ได้อันนี้มองว่าเป็นเรื่องของกิเลสการที่เราหลงไปตามไหลไปตามกระแสของกิเลสไม่ว่าจะเป็นความโลภ ความอยากได้ความอยากมีจริงๆแล้วมันมันไม่ผิดการอยากได้อยากมีเนี่ยมันมันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าก่อนที่เราจะมาะสั่งสมคุณงามความดีหรือว่าก่อนที่เราจ ะ, ะมาปฏิบัติกันอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็ต้องมีวัตถุสมบัติก็คือมีข้าวของเงินทองเครื่องใช้ เงินทองหรือว่าปัจจัยภายนอกเนี่ยเราสามารถที่จะแปลเปลี่ยนให้เป็นปัจจัยภายในได้ทรัพย์ภายนอกก็คือข้าวของเงินทองที่ญาติโยมท่านทั้งหลายที่มาวัดมาแปลเปลี่ยนข้าวปลาอาหารเป็นบุญเป็นกุศลก็ถือว่าเป็นเรื่องฉลาดเป็นการทําทรัพย์ภายนอกให้เป็นทรัพย์ภายในเพื่อที่จะเป็นสเสบียงไว้เลี้ยงตัว ในพบในภูมิต่อต่อไปซึ่งว่ามองว่าเป็นเรื่องของกิเลสครับพระเดชพุทคุณหลวงพ่อครับ <c oughs> หมายความว่าอันไหนกับตามที่มันถูกใจเนี่ยมองไว้ก่อนจะเป็นเรื่องของกิเลสเนะครับ <c oughs> แต่ว่าไอ้ความถูกใจเนี่ยมันมักจะไปขัดกับเรื่องความถูกต้อง <c oughs> ถ้าไหนาเป็นเรื่องถูกต้องแล้วพระชักเม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่มากนักนะครับแต่วันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาเพราะผมนึกได้ถึงว่า อย่างที่การเล่นการพนันเ น, นี่ยนะเป็นเรื่องของความถูกใจนะครับที่นี่มาวัดเนี่ยถูกพระขูดพระเราค่ะเหล่าพระแต่งใจอยู่ทุกวันนี่ฟังแล้วขัดใจนะบางครั้งนะัเป็นเรื่องของถูกต้องแต่มันขัดใจนะครับแต่คนมักจะไม่ชอบเรื่องขัดใจแต่ชอบเรื่องถูกถูกใจถูกใจครับเพราะขัดได้ยิ่งขัดยิ่งเงายิ่งใส ย, ยิ่งงามใช่ไหมครับ แต่ว่าถูกใจเนี่ยมันยิ่งถูกเขายี่งใจยิ่งพังนะใช่ไหมครับเพราะนั้นคนมาเวกัสเนี่ยมากันทั่วโลกเพราะมาเพื่อความถูกใจครับแต่วัดวีก้าววัดศิีวัดเพื่อให้ทำถูกต้องเขาไม่ยอมเข้าครับนั่นเป็นเครื่องวัดได้ว่าคนไม่ชอบการขัดใจแต่คนชอบการถูกใจครับาแล้วธรรมาชาตินี้มันจะเป็นไปนานแค่ไหนพระจเมื่อไหร่ถึงจะเปลี่ยนได้ <laughs> <laughs> <laughs> อันนี้ก็ <laughs> <laughs> <laughs> เจ้ตัวจะมาปฏิบัติวิปัสนาใช่ไหมครับครับรผมครั บ, รบนั่นแหละเราจะขัดใจได้รับความขัดใจได้แต่เมื่อเรามาปฏิบัติวิปัสนาเพราะฉะนั้นหน้าที่อันที่สองของพระกค็คือหน้าที่ขัดเกลาจิตใจ ค, คือวิปัสนาธุระนะครับหน้าที่อันที่หนึ่งก็คือศึกษาเรียนรู้เพื่อให้รู้หลัก ว่าพุทธเจ้าท่านสอนมาอย่างไรเพื่อเราจะได้ไม่หลงทางเรียกว่าขันธทูละเหมือาว่าตอนแรกเนี่ยศึกษาเรื่องแผนที่ก่อนอันที่สองมาศึกษาเรื่องการเดินทางแล้นหน้าที่ของพระก็มีสองอย่างแต่ปรากฏดอ a t unfortunately เป็นที่น่าเศร้าใช่ไหมพระเราไม่ค่อยเดินตามทางสองอย่างสองทางนี้มนก็ชอบออกลอกลู่ เพราะ้การที่เดินไปวินวัยบาตรเขากระทบไหลนี่ก็ถูกต้องแล้วใช่ไหมครับครับเขา <laughs> ชอบนอกทางเขาเลยกระทบเราไงนะครับก็ <laughs> บ <laughs> โอเคก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของญาติโยมทั้งหลายในวันนี้ที่ได้ตั้งใจตั้งใจฟังตามที่เราได้ทราบบทพระบาลีว่าสูสังลปะปฏิปัญญงฟังด้วยดีจมเกิดปัญญาทุกสูสังลปะปฏิตันหังฟังไม่ดีก็จะเกิดตัณหาดังนั้นก็เราได้รับ Uh, เราท <c oughs> ั้งหลายพาไปสู่สำนักพระคุณเจ้าตาขอพระคุณเจ้าก็ได้ แก้ไขเฉลยปัญหาของเราให้แก่เราได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนก็ข อ, อนมทนาสาธุในความตั้งใจของผู้เจ้าที่มาร่วมสุทนาปัญหาธรรมในวันนี้แล้วก็พวกเราทั้งหลายก็ตั้งจิตเป็นกุศลในการที่จะถวายทักษิณานุปท า, านแก่อองค์ปาถุทั้งสองท่านในโอกาสต่อไปก็มีด้วยประการละชนิ